อาจารย์พรอาจารยสาธุชนพุทธบริัทผู้มีจิตฝ่ทํารรมทกขั้นวันนี้เราก็มาพบ ก, กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมัม้งตอบคำถามในเรื่องของการปฏิบัติทานสิงภาวนาสำหรับคั้แรกคืนนี้ก็คือคุณสาธกาจากชัยนาา ใช่คุณชาอาจารย์อไม่ไม่มีคำถามค่ะมาฟังธรรมค่อาจารย์ค่ะโอเคเป็นคนม้อนันทนาเลยนี้ม้อนันทนาประมาณเียวอีาเจ้าค่ะอาจารย์ปรเกอาจารย์ได้ยินม้าค่ะได้ได้คด้ยิค่ะอเจ้าค่ะอาจารย์ก็ช่วงช่วงนี้โยมก็ เอ่อฝึกได้ตามที่ตั้งใจที่ว่าจะพยายามให้ได้วันละประมาณห้าถึงหกชั่วโมงขึ้นไปนะเจ้าขาผาอาจารย์ก็รู้สึกดีไหมรู้สึกจิตใจดีใช่ไหมเจ้าขารู้สึกว่าก็สงบมากขึ้นรู้สึกว่าความสงบมันต่อเนื่องมากขึ้นในช่วงที่แบบระหว่างการนั่งสมาธิรอบหนึ่งแล้วก็ในช่วงระหว่างการดาเนินชีวิตมันก็ยังรู้สึกสงบอยู่ไปจน ถึงการนั่งอีกรอบหนึ่งอะไรแบบนี้เจ้าค่ะอาจารย์ก็เก่งนะสามารถนั่งไปในขณะที่ยังทํางานได้ด้วยเจ้าค่ะก็พยายามแบ่งเวลาเจ้าค่ะพระอาจารย์อดีเจ้าค่ะก็ช่วงนี้โยมยก็มีมีกําหนดเหมือนกับว่าเป็นเอ่อเป็นโครงกระดูกนะเจ้าค่ะอาจารย์ทั้งเอ่อคนอื่นๆที่เราไปเห็นหรือสัมผัสแล้วก็ ตัวเราเองด้วยที่เหมือนกับว่ากำหนดเป็นโคงกระดูกกาลังทำ อ, อิริยะบทนุ่นนี่อยู่อะไรประมาณเนี่ยเจ้าค่พระอาจารย์ดีเห็นได้มากเท่าไหรนะ่ได้ยินดีมันจะได้คลายความหลงในเรื่องของร่างกายได้มากขึ้นจะ้าค่ะร่างกายมันไม่่วยงามเลยไ็นโคองกระดูกเห็นอะไรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ คืออาจจะเริ่มจากโครงกระดูกก่อนแล้วเราก็เหมือนกำหนดไปตามได้ไปว่าต่างๆเป็นนักเรียนนาโตมี่ดูปอดดูหัวใจดูตาดูไตดูลำไส้ดูเพื่อคลายความหลงล้างน้ำน้ำลใยความสวยงามในการมีตัวตน ร่างกายมันก็เป็นแค่อวัยวะ น, ะนั่นเองที่รวมมันรวมตัวเป็นที่มาให้เป็นร่างกายแล้วใจแล้วก็ไปเกาะไปติดไปสมมติวเป็นตัวเราของเราแ่้ว <Okay. S 1> ถ้าวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งมันไปทุกวันหนึ่งมันก็ต้องแก่ชจบ ต, ตายถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่เป็นเราเราก็จะไม่ทุกข์ ถ้าเราว่าไม่สวยงามเราจะได้ไม่บาลหลงกับเสียเวลากับการมาคอยเสริมสวยภาพงานของร่างกายใช่ไหมเจ้าค่ะเค่ะแต่ปว่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติใจจะได้ไม่ลงมาเครียดกับ ร, ร่างกายเท่าค่ะ ไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามของเราของคนอื่นนเหมือนกันหมดจ้างในที่สุด็ลกลายเป็นซากศพไปเจ้ทางในที่สุดแล้วกลายเป็นที่เท่าเศษกระดูกไปไปลอยอ่างคารไปก็จบนี่คือวิถีชีวิตของร่างกายของทีกคน หน้าตามไม bore, ่เดือนร้อนนะมันเป็นไปตามเหมือนเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งนะต้นไม้มันก็จะนริ่ติบโตขึ้ว่าใหญ่โตขึ้นมาในที่สุดมันก็ต้องรล้มตายลงไปกลับคืนสู่ดินไปเอคือเหมือนกับว่ามันก็ออกของทุกแบบว่าเหมือนเห็นความเปลี่ยนแปลงด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่เห็นด้านการเปลี่ยนแปลงเห็นด้าอ องค์ประกอบของมันก็คือ ท, าทอ่าทั้งสี่เนี่ยนั่งลงไปกลับมาจากทา่าสี่เดี๋ยวกลับคืนสูส่ท่าสี่ไม่มีใครไม่มีใครอยู่ใน ร, ร, ร่างกายนิทราวยวะสามสิบสองลําไร่ไปดูนมีเราอยู่ตรงไหนในส่วนไหนของร่างกาย ถ้านักริยาศาสตร์ว่าอยู่ในสมองต้องผ่าสมองมาแล้วเจอในสมองก็เป็นเส้นเลือดแต่เนื้อเยือไม่มีหรอกเราหนเพียงแต่รู้ผู้คิดมามากอติดกับล่างกายนี้แล้วใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือ ตอบสนองตัญหาความอยากของเราด้วยเราจึงรักหัวร่างกายพอไม่มีร่างกายเราก็ไม่สามารถทําไปตามความอยากของเราได้ร่งางกายแก่ร่างกายเจ็บเน้มันก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายพอาะไม่มย สามารถหาความสุขให้กับเราได้มันไม่แต่ให้ความทุกข์กับเราเราก็เลยทุกข์พอมันแก่มันเจ็บมันตายแต่ถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นน่างกายแล้วเราไม่ต้องอาศัยมันโดยการเราด้วยการเปลี่ยนวิธีหาความสุขของเราจากความสุขผ่านทางร่างกายมาเป็นความสุขทางใจ ทำใจใเองไปสงบมีความสุขเราก็ไม่ต้องใช้ใร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้นอนนะเพราะเราสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาพยายามฝึกสติฝึกสมาธิให้สร้างความสุขภายในใจแล้วเราจะได้ไม่ต้องพึ่งพาสายาร่างกายโอเค พัดจันจ้าคะคือการกำหนดเรื่องของโคงกระดูกในอย่างเวลาที่เราทำอิียบทอะไรไปอย่างเางี้ยเจ้ะพัดจันมันเหมือนเป็นการฝึกทั้งสติแล้วก็ปัญญาไปด้วยเนาะเจ้ะพัดจันใช่ว่าใช่ว่าทั้งสติทั้งบัญญาก็ได้เพราะว่ามันก็ปัญญาก็จะได้เห็นความจริงของร่างกายเห็นอวัยวะของร่างกายแล้ก็จะได้ไม่หลงรักร่างกาย มีใครเห็นโครงกระดูกแล้วรักคมกระดูกบ้างจังค่ะไม่เห็นนะที่ถูกหนังมันพุ่มห่อปิดไว้แล้วก็ไปหลงรักร่าง ก, กายทั้งของเราทั้งของคนอื่นมันน่าลากนานักน่าดูน่าชมพอมองทะลุเข้าไปใต้ในหนังก็เห็นโครงกระดูกอารมณ์ดีจัเรารักหลงรักในตัวนี้นะเราหลงร่นะลงลางครงกระดูก พอแกะกล่องออกมาถึงจเห็นโอ้ที่ว่าที่ว่าจะสวยไม่สวยสวยเพียงแต่เหมือนกล่องของขวัญที่เขาหอ่อจะสวยงามข้างแรงไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้ไมที่แกะมาถ้ า, ถ, าถูกคนเขาแก้งเอาขยะใส่มาวมากแทนที่จะรักจะดีใจจะชอบกล่องก็โยนทิ้งเลย พอเราแกะกล่องร่างกายได้พอเห็นอะไรข้างในนี้แล้วทีนี้ก็โยนทิ้งเลยไม่อยากจะได้เจ้ค่ะอาจารย์เจ้าค่ะแล้วถ้าถ้าตอนที่อย่างนั่งสมาธิลรวบางทีถ้าเกิดมันไม่สงบเราก็สามารถกำหนดภาพเป็นโครงกระดูกตัวนี้ได้ด้วยใช่มเ้าค่ะอาจารย์ได้ที่ไหนก็ได้ที่ทำให้ใจมันน่งมันสงบได้ ถ้าใช้การคลื่นของดูโครกระโดดแล้วทําให้ใจแน่นก็ทายได้แต่คนที่ต้องดูโครกระดูกได้นั้นเป็นคนใจที่มีมีความกล้ามีความไม่รู้สึกกลัวแล้วคนเห็นโครกระดูกแล้วไม่กล้ามองไม่กล้าดู ก, ก็ต้องอาศัยพุทโธไปแต่ถ้าคนที่มีปัญญามีความ รู้ว่ามันก็เป็นแค่อวัยวะอย่างหนึง่งก็ใช้มันเพ่งเป็นอารมณ์ให้คิให้เข้าสู่ความบอกมาได้ถูกค่อันนี้แล้วแต่เจลิศของแต่ละคนนะเจลิศมันมีหลายแบบด้วยกันตัฐาเจลิศเข้ามาเชนี้นนนองคุโธพุธโฑฮัโาโล่พระอระ่ะ ราคาเริกกาจะนิยมควงประดูนะ<ม>อยู่แล้วมันเย็นมันสงบมันทำให้ราคามันหายไปก็เลือกได้นะ<ม>นก็ดูพุโทโธนึกหลงหายใจเขาจ้าออกอย่างสิิด้วยเท่าาการสายใสองไปก็ได้ไล่ดูอาการสายใจสองไป ในแต่ผมขนแดงปันน้ำเนื้อเห็นกระโหลกเยื่อในกระโหลกม้านหัวใจตับทั้องผิดทยก่อนไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองสีสษะน้ําดีน้ํำสเลดน้ําเหลวน้ําเลือดน้ําเหนือน้ำมันคนน้ําตาน้ํามันเหลวน้ําลายน้ำมูกน้ําไข่ข้อแล้วก็ย้อนกลับน้ําไข่ข้าน้ํามูกน้ําลายนั้นะ น้ำมันเห ล, ลวน้ำเราก็จำไม่ได้ขากลับนี่ยากไม่ได้ท่องจึแล้วก็ดึมภาพไปด้วยผมเป็นยังไงคนเป็นยังไงเล่นเป็นยังไงฟันเป็นยังไงอยู่ส่วนไหนอยู่ตรงไหนเหมือนเหมือนนักศึกษาแพทย์ใช่ไหมนักศึกษาแพทก็ต้อศึกษาเอาไว้ว่าทัางแบบ เกิต่อไปนคนไข้บอกปวดทับปวดปวดตับปวดไตจะได้รูป้ปัจจุบันหาไม่เจอหรือไปหาท้าตับท้บาไตที่ไหนปวดหัวใจได้รู้หัวใจอยู่ตรงไหนรูปร่รปางลักษณะของอหัวใจเป็นยังไงแต่เราไม่ต้องไป study function เหมือนไม่ต้องไปเรียนรู้ว่ามันทําหน้าที่อะไรเราเพียงต้องการที่จะเห็นภาพของมันเห็นตัวมันยุ่ตอน มีหลายวิธีการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือทําใจให้สงบแล้วแต่ว่ามันต้องสังเกต ด, ดูว่าไหนช่วงไหนเหมาะกับตัวไหนช่วงไหนอาจจะไม่เหมาะกับตัวนี้วิธีเพ่งมันอาจจะไม่เหมาะก็แค่มันเที่ยวดูเที่ยวดูเอาไว้ว่าต่างๆนันไปช็อปปิ้งในร่างกายน่ไปเที่ยวในร่างกายเก็ไปในซูเปอร์มาร์เกต็ตใน อ่าในร้านขายสสินค้าแล้วก็เดินไปดูสัมอาบ้างดูเสื้อผ้าบ้างดูรองเท้าบ้างดูอะไรบ้างตล้วก็เข้าไปเที่ยวทางกายไปดูส่วนต่างๆของร่างกายอมาดูปอดบ้างมาเยี่ยมดูปอดมาดูไตบ้างดูตับบ้างดูลังไส้บ้างก็เหมือนไปชอปปิ้งไปชอปปิ้ง เราเรียนไปเที่ยวกายนครเที่ยวกายนคร <Okay. S 1> จะได้ทําความรู้จักของที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดแต่เราไม่ไม่ยอยากมาเที่ยวดูกันเลยชอบไปเที่ยวดูตามอังเซนเชลเวิร์ที่นู่นที่นี่กันแล้วก็เกิดกิเลสทันหะเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาเรามาเที่ยวดูในร่างกายแล้วมันจะได้หายหายโลภหายอยาก <laughs> จริค่ะคือจะใช้แบบการเพ่งแบบการท่องเที่ยวแบบไหนเนี่ยก็คือขึ้นกับอารมณ์จิตของเราเจ้าค่ะอาจารย์บางทีถ้ามันไม่ยอมอยู่กับพี่มันไม่ยอมอยู่กับก็บดูกนี่ก็ลองให้มันนี่ก็ไปลองปเปลี่ยนด้วยวิยวัฒน์ต่างๆไปเหมือนเปิดภาพภาพฉายบนจอแล้วให้มันเลื่อนไปดูผมแล้วก็ไปดูคนดูคนแล้วก็ไปดูเล็บดูเล็บแล้วก็ดูฟันอย่างว้าอย่างอื่นจริงค่ะ เพราะจิตบางทีเรามาเวลามันมันมันนิ่งทีมันไม่นิ่งบางทีมันฟุ้งมันไม่ยอมอยู่กับกระดูกอย่างเดียวนี้ก็ทำให้มันนั่งมันต้อเปลี่ยนดูหลายๆภาพไปไล่ไปอาการทารกที่สองต่างนๆอย่างท้ามันก็นิ่งพอเนิ่งแล้วก็กลับมาหยุดจิตที่เขากระดูกอย่างเดียวก็ได้อเจ้าค่ะสำคัญจังก็ได้หลับ มากขึ้นมากเจ้าคะ่ะแล้วก็พอพอแบบสงบนิ่งก็อยู่กับความว่างไปแบบนั่นเฉไปาันงบมันเลนมันยังมีความสุขไม่ปุงแต่งแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ขออนุญาตทำถามสุดท้ายนี่เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าคือในการละสั่งย์ในแต่ละขั้นนะเจ้าคะ่ะ อันนี้มันก็คือเหมือนต้องอาศัยอุเบกขาที่มันแน่นมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เช่นนต้องครับอาจารย์อุเบกขาที่มีกําลังที่จะหยุดความอยากที่จะหยุดอุ ป, ปทานความยึดอั่นถือมั่นในในสิ่งที่เรา<อ>พิจารณาเช่นร่างกายว่ามันต้องตายอะไรย่างนจะไปยึดไปติดมันได้ยังไงมันต้องตายต้องปล่อยมันให้มันตายถ้าไม่มีอวเบกขามันก็ไม่ยอมปล่อย มันจะไม่ยอมตายมันจะไม่มันจะอยากให้มันไม่ตายมันก็เลยเครียดมันก็เลยทุกข์แต่ถ้าเบรคขามีกําลังมากกว่าความอยากมากกว่าอุปทานความยึดมั่นถือมันมันก็ปล่อยปล่อยมันก็เฉยตายก็ตายไม่ให่เราตายคือเหมือนอย่างถ้าเราละสังโยชน์เบื้องต่ำได้อย่างนี้ยเจ้าค่ะอาจารย์เราก็ต้องสะสมกําลังเบรคขากันต่อเพื่อที่จะ เบิกเสนาเบื้องสุกต่อไปเออเบิกขามันก็เท่าเดิมถ้ามันมาจากสมาธิมันก็เท่าเดิมแต่เรื่องสะสมใหม่ก็คือปัญญาแต่ละชนิดที่ว่าแค่สามโยต์แต่ละชนิดมันไม่เหมือนกันอ๋อเจ้าค่ะยังสงสัยตรงนี้เจ้าค่ะอาจารย์อ่าเบาิกขานี่พอได้ขั้นสมาธิแล้วมันก็เท่าเดิมนี่นี่มันมาสลับสนปัญญานี่ปัญญามันต้องเปลี่ยนไปตามตามสมโยต์ ถ้าไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราก็ต้องพิจารณาว่าไม่ใช่ตัวเราเห็นดว อ, อีวะเห็การสามจุดสองเป็นบบ 32, ปน้ํน า, นาลงไปถ้าไปถ้าไปเห็นว่ามันมันเทียมเราก็ต้องพิจารณาว่าไม่เทียมมันต้องตายมีต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเห็นว่ามันสวยงาม น, น่ารักก็พิจา ร, ารณาว่าเป็นอสุภะถ้าไม่สวยงาม ปัญญามันจะเปลี่ยนไปตามโจทย์สามโยต์สิบนี่มันเป็นโจทย์เป็นข้อสอบที่เราใช้ปัญญามามาตอบตอบโจทย์แต่ละข้อเดี๋ยวัญญจคุณจ่ะแต่กลับไปที่ยังไม่ไม่สุดทางก็เราก็ต้องนั่งสมาธิสะสม ก็ต้องสมาธิก็ต้องสนับสนุนเว<ช>ลาเวลา<ะ>จิตเหนื่อยก็ต้องกลับเข้าไปนั่งในสมาธิบางทีใช้ปัญญาแล้วมันไม่สามารถที่จะละได้ก็ต้งพักแล้วก็กลับเข้าไปพักในสมาธิเอาเอาแรงเจ้า อ, ออกจากสมาธิมีแรงก็ไปสู้กับสังโยชน์ต่อเจ้าค่ะอาจารย์้าไปแล้วเจ้าค สมาธินี่กับปัญญาพอเริ่มทํางานแล้วมันจะสลับกันทํางานเหมือนกับการพักผ่อนหลับนอนกับการไปทํางานนอกบ้านนี่ยไปทํางานนอกบ้านเหนื่อยก็ต้องกลับบ้านมาพักผ่อนหลับนอนกินอาหารรอตื่นเช้าขึ้นมาก็ออกไปทํางานใหม่สลับกันทํางานทางปัญญามันก็เหนื่อยได้ก็พักกลับมาพักในสมาธิ เราได้พักเต็มที่ก็ออกจากสมาธิมาก็ไม่ทำงานไปวิเคราะห์ไปพิจารณาไต่ลักต่อไปเพื่อที่จะแก้สังโยน <Thank you. S 1> สมาธิที่ไม่ได้สมาธินี้เป็นอุปกรณ์สําคัญในการที่จะใช้ในการกาจัดสังโยน์แต่ต้องมีปัญญาเป็นผู้กําจัดสมาธิเป็นผู้ให้กําลัง เหมือนคนที่คนที่ทำงานนี้ถ้าไม่ได้พักผรอนก็ไม่มีเดี่ยวอะไรเวาไปทำงานหรือแม้จ ะ, ะมีปัญญาแต่ก็ไม่สามารถใช้ปัญญาเอาปัญญามาใช้กับร่างกายที่อ่อนแอได้เป็ต่อสู้กับร่างกายที่อ่อนแอเขาสู้เขาไม่ได้หรือแม้จะมีปัญญามีความรู้วิธีการต่อสู้กับธาตุศึกสัตตรง แตไม่มีเรี่ยวมีแรงมันต้องมีทั้งสองอย่างมีทั้งมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็มีความรูร้ความสามารถที่จะต่อสู้กับข้าศึกศักตรูได้เข้ า, าใจนะเข้าใจแล้วเจ้าขากับขอบพระคุณมากเลยเะจะาข้าอาจ่แม่จัดแทพี่เป็นเ ก, กี่ยวกับนกรรพระอาจาร ย, ย์คะเปยังไง วันนี้ไม่มีคำถามค่ไะไม่มีคาคาท์อนสังมาแสดงว่าไหมไม่มีคะท่อนใดอยู่รัอไม่มันแสดงให้ฟังเลยนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับถังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะ น้ำดีน้ำเสล็ดน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูดน้ำกลับได้มหมย้อนกลับได้ไหมได้ค่ะน้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำมูกน้ำน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหงื่อน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเสล็ดน้ำดี แกนในสมองสีสษะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตผังถืดตับหัวใจม้ามแกนในกระดูกกระดูกเอ็นหนังเนื้อเนื้ อ, อฟันเล็บขนผมโอเงมากผู้ใหญ่ยังทำไม่ได้ <c oughs> ผู้ยยใหญ่คนไหนทำได้มันทำให้ดูหน่อยเนี่ยโอเค อย่าลืมนะทําไปตลาดชีวิตเลยอากไปเวลาเห็นแฟ น, แฟนกันนถึงอาการทาทีสองเข น, นะจะตีก็ได้นะแต่เ ท, าทา 8, ่าไหร่แปดันเห็นใครที่หนูชอบมาแล้วไหนคอดูอาการทาีสองของเธอหน่อยดิ <Es> จะ ต, ต, ตีคนจะตีคนผมฝนเล็บปันนเนื้อเอ็นกร ะ, ะ, ะดูกเยื่อในกระดูกม้ามม้ามเยื่อในกระดูกกระดูก In, uh, uh, upp, เป um. ็นเนื enfin ้อเล็บหนังฟันเล็บขมวันี่ชัดดีเลยใช่ไห่ใช่ครัชด้ีครับชัดดีวยังท่องไม่ได้หมดนะต้องทำการบ้านต่อไปนะทำไม่ได้พี่นะครั้น เห็นภาพไหมเห็นภาพของนเล่นพันแล้เป็นยังไงไเห็นล่อยเ็ตับเห็นายเห็นลำไส้ไหไม่ครับเอาไปเป่อยนังสือดูอินเทอร์เน็ตเนี่ยแปๆอนาตเรู่ครับไปได้เว่ามันเป็นยังไงรเรียนเรียนชื่อไว้ก่อนก็รจากชื่อตอไปกันนียไปดูภาพไปดูตัวมนแล้วเป็นยังไงครับ อยู่ในร่างกายเรานี้แหละมีทั้งสามที่สองชื่อนี่อยู่ในร่างกายเราทั้งหมดครับมันไดอยู่ที่ไหนครับนะอยู่ในร่างกายของทุกคนของพ่อของแม่ของครูของเพื่อนของใครทั้งหมดมีเหมือนกันหมดทุกคนดีมันมีความรู้พิเศษนี่ดีมันไม่มีใครรู้เนี่ยเแนควคํารู้ของซูเปอร์แมนเลย ซอรมนีตาที่สถองทะลุเข้าไปข้างในได้เลยเ mm hmm. ยเราอีวิซแมนซูแมนตําลองทะลุร่างกายให้ได้นะอ็กซเลเข้าไปมอง mm hmm. เข้าไปข้างในน mm ีา hmm. ย ท, ที่ใต้หน้าหน้าของหนูเล่นเป็นอะไรรู้เปล่ากัะโลห์อ่าใช่ไหมครับ mm hmm. อ่อ่ า, า, าองดูให้ทะลุเข้านองต่าองใต้ผิวหนังเข้าไปให้ได้นะมงทะลุใต้ผิวหนังเข้าไปถึงจะเห็นภาพต่า ง, างมีคำถามอะไรไหมไม่มีครับไม่มีครับโอเคไปนั่งสมาธิอยู่ด้วยหรือเปล่ายังนั่งอยู่ครับ ทางการรักสามเสี้ยนแล้วการทำในต่างดูลงองเน้นนั่งเชยๆก็ดูลงครับดูลงนะครก็นั่งได้นานเท่าไหร่นี้ก็ยี่สิบถึงยี่สิบห้านาทีครับยังไม่ถึงสามเสี้ยเดี๋ยวคิดจะทำครับ <laughs> ทำไปเรื่อยๆก็เพิ่มก็เพิม่มก็ไปถึงเล้วแลเกียน้อยเดีย๋ยวก็ได้นะ ม okay. ีทางนี้นะขอบคุณพระอาจารย์ครับอาจารย์พร้อมี่ไรขอบคุณอนุกุนลนุกูับ้ครับนักวิชการค่ะอาจารย์กลับนักวิชการอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างสบายดีนะสบายดีครับพระอาจารย์ <c oughs> วันนี้ไปเช็คร่างกายทั้งอีกครั้งหนึ่งคนระัเป็นยังไงเรียบร้อยดี ยังยังไม่รู้ผลครับวันที่สิบแปดจะได้พบหมอครอัอตอนนี้เรารู้แล้วตัวเราถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เจ็กบก็แสดงว่ามันโอเคแล้วไปตามไปตามคําสั่งของคุณหมอไงต้องอาใัยหมอพินที่พึ่งไงต้องปฏิบัติตามหน่อยก็เหมือนร่างกายนะคะต้องอาศัยธรรมะสุด้วยนะต้องพิจารณาร่างกายว่ามัน มันเกิดแก่เจ็บตายนะเป็นธรรมดาอันนี้คือธรรมะอุดสุดจะได้ใจยิ่งได้ไม่ทุกข์กับมันที่บ้านเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เต็มร้อยค่ะไม่ใจไม่ทุกข์ค่ะปล่อยไปเรื่อยๆจะทำตามใจค่ะใเวลาเราเป็นก็เราเป็นรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้กะปล่อยมันไปไม่มีใครอยู่ตลอดรอดฝัน ค่ะเวลาคุยกับใครก็คุยอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนะคะว่ามึงร่างกายไม่ใช่ของเราเราก็เลยดูเป็นแบบเราก็แดีดแล้วพวกเราเราก็แปลกดีเพราะเราบอกทั้งบ้านเราเป็นต้นตหมดใครจะไปก็ได้ไม่เป็นไรรับได้หมดในเงนะยนะแต่เท่าอยู่ก็ดูแล ก, กันให้ดีที่สุดไม่ต้องไปหัวไม่ต้องไปโทษไม่กลดประโยู่อะไร คนก็ดูแลดูแลตัวเองแล้วกันใช่ไหมคะว่าอัตาตาหรือตโนนาถูกใช่ค่ะจิตใจของตอนนี้ต้องไม่ได้ใครดูแลให้ได้นั่งกายเนี่ยพอดูแลกันได้ได้นะจิตใจนี่ของใครของมันถ้ามีธารมะสดก็สบายสช่ไหมถ้าไม่มีธรรมะสดกระเครียดกระทุกข์ เห็นเห็นจริงเห็นจังเลยค่ะเพราะว่าก็พักมีได้เจอเพื่อนๆอาจารย์จุฬากันอยู่แต่ผู yep ้หลักผู้ใหญ่นะแล้วเด็กลงมาก็บางคนก็มาด้วยความเครียดแล้วก็ถามว่าพี่อยู่พี่อยู่ได้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะถามออกจากบ้านทุกวันผมไม่ออกกับบ้านสบายสบายบ้แล้วทําอะไรอยู่บ้านทำอะไรเงี้ยแล้วมันทำอะไรก็ทำอย่างเงี้ยทำจริงอ่ะ การไม่ทำอะไรได้เนี่ยดีที่สุดใช่รม่ทำแล้เหนื่อยสบายเจ็บหน้าืูบ้านสบายก็ดูแลกันและกันไปไม่มีอะไรนะไม่มีค่ากับพระอาจารย์ถไปที่คุณอพรานะตอบหมอพราชนะกลับมาสการะพระอาจารย์ขอบคุณพระอาจารย์มาค่ะก็ รู้สึกว่าหลังๆสามสี่เดือนเนี้ยมันสามารถจะคงความความความสุขอะค่ะระหว่างที่แบบอยู่บ้านแล้วก็ไปไปวัดได้เป็นเดือนนะค ะ, ะอาจารย์รู้สึ ก, สกมีความสุขมากเลยะครัต่อไปก็ไม่ต้องไปก็ได้ ท, ทําทำอยู่ที่บ้านก็ไปฏิบัติได้ค่ะเพราะว่าเที่บ้านก็ปฏิบัติทุกวันนะคะพระอาจารย์ก็คือคงเอาไว<ม>้แล้วกด็ดูดูดูดูที่ใจตัวเองอะค่ะแบบที่เรียนพระอาจารย์อืม รู้สึกว่ามันมันเหมือนกับว่าที่ตัวเองท่องท่อไปไหนที่บอกว่าอ้วิชาอุทธะปฏิโลโกุทธะปฏินี่ก็คือมันจะค่อยๆสว่างมันจะค่อยๆแบบว่าดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยใช่ไหมคะอาจารย์มันสงบไปเรื่อยๆเรื่อยใช่ไหมคะใช่มันสงบไปยังถ้ามันสงบตลอดเวลาอันนี้มันก็ยังไม่สงบตลอดเวลามีขึ้นมีนองมากเพราะยังมีอะไรมาสัมผัสมากระทบกับจิตใจ แล้วเรายัางไม่ทันมันยังไม่ปล่อยอยังยืดยังติดอยู่คือจริงๆอาจจะยังมองไม่เห็นเพราะว่าเราก็เตรียมตัวแบบเตรียมดาบเอาไว้ฟันแต่ว่ามันไม่ค่อยคืออารมณ์มันไม่เหมือนกับยังยังไม่ค่อยทันอาจจะเหมือนกับเห็นว่าอามตัวเองมันยังสงบอยู่นะพระอาจารย์คือมันมันทันตัวห ย, บยาบๆป่ะพระอาจารย์ก็พยายามไม่ประมาทแล้วก็ระวังแล้วก็พยายามดูพระอาจารย์ก็ไปนักอาทิตย์หน้าไปเขาชิโอนะคะพระอาจารย์ก็คือไปเติมถ้าเขา ทั้งวันเนี่ยถ้าอยู่บ้านมันจะมันจะแบบได้ไม่ไม่ทั้งวันเพราะว่ามันต้องนั่งสมาธิแล้วก็ทํางานแต่ทางานดีขึ้นมากเลยนะพระอาจารย์คือเริ่มแบบรู้สึกแบบปล่อยวางมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จริงๆแล้วเริ่มเ่มเบื่อแบบอยากอยากทําทํามากขึ้นเรื่อยๆพระอาจารย์เพราะมันเห็นความจริงมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไปมันก็มันมันไม่ใช่ของจริงอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์มันเริ่มเห็นเริ่มเบื่อแต่ว่าไม่แสดงอาการออกมานะคะพระอาจารย์เพื่อนฝูงแต่มีความสุขนะพระอาจารย์เบื่อแต่มีความสุขนะคือหมายถึงว่ามันเหมือนก ไม่เดีย๋ยมาหลอกเราแล้วหลอกไม่ได้แล้วเต็มดาบเอาไว้เดีย๋ยวมาหลอกเต็มฟันอาจารค่ะนี่ต้องทําเพื่อปัจจัยสี่เท่านั้นนที่เราทํางานกันนี้ก็เพื่อปัจจัยสี่ให้กับร่างกายจริงๆก็พอแล้วแ่ละพระอาจารย์เพราะว่าใช้ปัจจัยสี่มันได้อยู่แล้วก็ตอ น, นทําเริ่มเริ่มแบบแล้วไม่ติดีนะฮะพระอาจารย์สมัยก่อนไม่เข้าใจคือวันที่เราไปออกหนุยหรือ ว, ว่าอะไรยังมีความภูมิใจรู้สึกดีตอนนี้รู้สึกว่าเออที่เราทําเพราะว่า เพราะว่าถ้าเกิดทำได้เราทําเราช่วยเราไม่ไม่ติดแล้วพระอาจารย์เริ่มเริ่มปล่อยความดีได้แล้วด้วยตรงไห่ก็ติดดี <laughs> <c oughs> อ่ะเอ<ช>็กใส่ที่พระอาจารย์บอกโอเคมากเลยครับพระอาจารย์อ่าถูกอ่าเราเปลี่ยชื่อกันเลยวัศุการ์เนี่พระอาจารย์สวดีว่าวันนี้อ่าทบซูมในรถครับพระอาจารย์ก็เลยไม่ทันได้เปลี่ยนชื่ออะไรเลยครับพระอาจารย์สวัสดีคุณแม่เลิกงานช้าครับผมอ่อ ในรถก็มีเครื่อ ง, งอะไรนี่อะไรนะคะอาจารย์ในรถก็มีเครื่องจอสามนะเครื่เครื่องที่ใช้อยูน่นี่มันเครื่องติดอยู่กับรถเอได้ไงใช้ ipad ครับอาจารย์ใช้ใช้ i p แ d ครับผมอาจารย์แล้วก็ต่อฮอสปอตกับโทรศัพท์ครับผมไป้ไงเงี๋ยอมารับแม่เน่อ่าใช่ครับมารอคุณแม่ครับ <c oughs> วันนี้มีอะไรไหมวันนี้ันนกลับม า, มาส่งการบ้านพระอาจารย์ครับครับผมพระอาจารย์แล้วก็ขอแจ้งพระจานทร์นิดนึงว่าเอเอไอบทสวดที่จะท่องให้พระอาจารย์ฟังนะฮะพอดีว่ามันเป็นผมไปท่องมาแล้วแต่เพิ่งมานึกขึ้นได้ภายหลังว่ามันเป็นคนลบทกับอาการสามสิบสองก็เลยมันอาจจะเป็นการดัดแปลงนิดนึงระหว่างบาลีกับไทยไงครับาจะจันทร์ ถ้าไม่เป็นแล้วมีคําสองคำที่มันสลับกันําปอดกับไตมันถ้าเป็นภาษาบาลีแต่ไม่ต้องท่องภาษาบาลีเราเพราะมันไม่ใช่ภาษาเราครับอาจารย์ท่องแล้ไม่เข้าใจท้องในภาษาเราดีก่ก่อนเราจะเราจะได้เข้าใจว่ามันเป็นอะไรครั บ, รบแต่ก็ไม่ห้ามนะอยากจะท่องเกสาคือผมนะลงมาคือขนก็ได้แต่ ที่ท่องมาจะเป็นแบบของน้องเจมส์จัตตีครับจะเป็นแบบนั้นครับผมแต่จะขออนุญาตเพิ่มบาลีต้องบทสวดอาการอ2ให้พระอาจารย์นิดนึงจะได้อินจะได้ครับกขออนุญาตเริ่มนะครับอ้ายังโคเมกายโกายของเรานี่แหละ อุทังบาทตาลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสมัมมาทกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตะจัปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนาน า, าการะอาสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาจิมัสมิงไกเย มีอยู่ในกายนี่ขออนุญาตท่องอนุโลมเป็ น, นภาษาไทยครับผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีสษะน้ำดีน้ำเสล็์น้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงือ่อ น้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูดขออนุญาตท่องกลับปฏิลมเป็นภาษาไทยครับน้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหงื่อน้ำเลือดน้ำหนองน้ำสเตเดน้ำดีเยื่อในสมองศีรษะอาหาร เก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตพังผืดตับหัวใจ ม, ม้ามเยื่อในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมเอ <h okee> hey, ว่าไม่อยางเมกายอกายของเรานี่อย่างนี้อุทังบาทตลาเพื่องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา อสโทเมสามาทากาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตะจับปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานาปาการาสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างานี้แลผมนะ่๊ะดีมากค่ เวลานั่งสมาธิถ้าใจมาันคุ้งก็นั่งนั่งแล้วก็ท่าอาการฐานที่สองไปก็ได้ครับพอาจารย์สอมซอประังอาทิตย์เลยครับอาจารย์ฝันก็ฝันว่าผู้ท่องนังไไ้นอยู่ครับอาจารย์อไก็นั่งดูภาพดูตารางการก็เป็นยังไงอยู่ตรงไหนนะครับอาจารย์ได้ครับเดกิดไหเอ็นเตอร์เน็ตดูก็ได้ Search คำว่านาวตอ m m y กเดี๋ยวก็เจอ ผมพระอาจารย์ได้ครับขอกราบน้ำมการคุณแม่ขออนุญาตกาบน้ำศกาิพระอาจารย์นุโมทนาสาธุกาอ่าสบายดีสบายดีค่ะกราบนมาศการพระอาจารย์แล้วก็จะขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยค่ะตั้งแต่นุโมได้ไปมีโอกาสเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ดีขึ้นมากเลยค่ะพระอาจารย์ ก็ S <S มไม่ค่อยทะเลาะกันเท่าไหรค่ค่ะมีน้องค่ะคได้ไ ด, ด, ดีรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้อะไรควรไม่ควรนะรแล้วก็ค่ะแล้วก็เรียนผลการเรียนก็เลยปลอยดีขึ้นด้วยคะ่ะพระอาจารย์ดีมีสติ ด, ดีขึ้นจำอะไรได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างมากคะ่ะ ก็แล้วก็อย i mean. ู then, ่นะแล้วก็แล้วก็พูดของเราไปอย่างเงี้ยญาญโยก็เข้ามากันเองมันแต่เขาซ้อมทั้งอาทิตย์เลยค่ะฟังฟังจนมึนไปหมดเลยซ้อเราเขะบอกว่ายิ่งซอมยิ่งเทาไหร่ยิ่งได้สติใจยิ่งสงบใหญ่ใช่ไหมใจเย็นเล่นไปนะฟังเขาแต่ยังท้องท่องไม่ได้ค่ะคุณแม่ต้องเอาเอาต้องตามลูกให้ได้แล้วเดี๋ยวลูกเก่งคอณแม่ได้ค่ะ เองก็บอกว่าเขาจะพยายามหัดเวอร์ชันเต็มให้พระอาจารย์ค่ะแค่นี้ก็ดีทงเทมาแล้วใค่ขอบคุณครับพระอาจารย์หายเหนื่อยเลอไปให้นึกออกไปให้นึกเห็นภาพด้วยนะพอพูดถึงขอนอยู่ตรงไหนเล็บอยู่ตรงไหนฟันอยู่ตรงไหนลักษณะเป็นยังไงได้อาจารย์หายเหนื่อยเลยครับพระอาจารย์ที่ท้องร่างกสิณ แล้วก็อย่าลืมนะรักษาไว้ตลอดชีวิตเลยนะต่อไปมันเป็นเป็นนิสัยไปเลยมองเห็นร่างกายใครก็เห็นทะลุไปทั้งสามทิศสองอากาศครับอาจารย์ค่ะแล้วก็พยายามฝึกเจริญสติแล้วก็ทุกอย่างตามที่อาจารย์สั่งสอนต่อเนื่องครับอาจารย์โดยเฉพาะต่อไปก็พิจารณาว่าไม่เทียมมันต้องแก่<ร>ะจ<ร>ะตายมันไม่มีตัวตนนร่างกายนไม่มีตัวเราเราไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้ เราผู้ท้ออาการที่สองนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายเราอยู่ในโลกทิพย์เราอยู่อีกโลกหนึ่งครับอาจารย์ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็จะพยายาม อ, อทำตามที่พระอาจารย์สอนก็คือเรื่องของอุเบกขาครับอาจารย์ก็คือจะพยายามเฉยกับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะดีหรือร้ายจะทำใจให้เป็นกลางครับอาจารย์แล้วก็สันโดษนะยินดีตามมีตามเกิด อยากไปชื่อชื่อฉุกจิตกับแม่ให้แม่แมาจะทาอะไรให้แม่จะให้ชื่อใหม่แล้วทำอะไรนั่นโด่แม่จะให้ทําอะไรให้กินก็กินไปไม่ต้องไปบอกเขาอยากกินนู่นกินนี่ถ้าอยู่แบบผระแม่เป็นคนใส่บาตให้เราครับพระจ่ายได้ครับผมแม่จะนี้ทําเลยให้กินก็กินแม่จะซื้อเสื้อผ้าอะไรให้ใส่ก็ใส่ไปไม่ซื้อก็ถ้าไม่ไม่ขาดก็ป็นขอ ครับุณเตาไปได้คุณเตาไปเหอตามโลกเขาบอกตามโลกวันนี้มีโน่นใหม่นี่ใหม่ออกมาอยู่ร้วเลยครับอาจารย์เราเราใช้เหตุผลเราจะใช้แล้วถ้ายังใช้ได้อยู่ก็ใช้มันไปไม่เอาไปเปลี่ยนมันจนกว่ามันจะใช้ไม่ได้แค่อยไปเปลี่ยนมันครับอาจารย์เราจะประหยัดเงินไม่ได้เยอะ คับอาจารย์อินดีทำพิธีเกิดครับโอเคสาธุนะครับขอบคุณครับพระอาจารย์คุณแบรนด์มีอะไรบ้าไม่มีนะไม่มีครับพระอาจารย์คุณยายไม่ได้มาด้วยนะแตพอดีวันนี้เลิกงานถึงนลครับพระอาจารย์โอเคกลับกลับนมัสการสาธุน้องอ้อมน้ออมบอวินอยู่เปล่า สการ์ดค่ะไม่มีคำถามค่ะเมื่อไหร่จอมดีภาคก็ยังเนี่ยนานแล้วเนี่ยไม่ได้เคยมาชูวอะไรน่าจะเป็นเดือนหน้าค่ะพู้อาจารย์เดือนนี้ไม่มีชิวว่างเลยค่ะอ่าโอเคค่ะค่ะก็ไม่ทิ้งค่ะพู้อาจารย์ต้องมีไฟบังคับนะต้องไฟบังคับค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอพิเชษฐาธรมอ กับนักวชาการพระอาจารย์ครับในข้อธรรมะของพระอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าในโลกนี้มีความจริงอยู่สองอย่างคือสมมติสัตว์และประมาสัตว์ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับก็สมมติสมมตติสัจก็คือสิ่งต่างๆที่เราติดไป้ายไว้บอกไว้เช่นหญ <c oughs> ิงชาย มีชื่อนั้นชื่อนี้มีฐานะตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เป็นเป็นนายนยกเป็นรัฐมนตรีเป็นประชาชนธรรมดาเป็นอะไรเป็นคนขับรถเป็นอะไรที่เป็นสมมุติธรมดาที่เราไปติดป้ายไว้กับร่างกายตัวร่างกายมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเป็นตามสมมุติแบบมันเป็นปรมาท ความจริงของร่างกายก็คือมันแคม่มันก็อาการ32หรือมันมาจากดินน้ําลมไฟมันเป็นดินน้ําลมไฟธาตุสีของต่างๆที่เราเห็นในโลกนี้มันประกอบขึ้นด้วยธาตุธาตุสี่รื อ, ห ร, อหรือบางทีก็ไม่ไม่ไม่ไม่ธาตุสีก็ธาตุใดทาด่านเช่นน้ําที่เราอ่านก็เป็นธาตุน้ํา อากาศที่เราหายใจเรื่องลมที่บรรทัดก็เป็นธาตุลมธาตไฟก็คือความร้อนธาตุดินก็เนี่ของแข็งต่างๆก็เป็นธาตุดินแล้วพอมันารวมตัวกันมันก็ก็มาเป็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นร่างกายของมนุษย์เป็นร่างกายของสัตว์เดรัจฉานมันาาเป็นสินค้าต่างๆเป็นผลผลิตพนัน ต, ต, ต่างๆที่เราผลิตกันขึ้นมา เสื่ออ้ารองเท้ากระเป๋าบ้านช่องรถ ล, ลายต่างก็ทำมาจากธาตุสี่นั่นซึ่งเป็นปรัมมัสส่ว น, นส่วนที่ ป, ประกอบขึ้นมาก็กลายเป็นสมมุติไปกลายเป็นล้นเป็นอะไรไปแต่เรามองว่าไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่ประกอบขึ้นเนี่ยสักวันหนึ่มันก็ต้องมันก็ต้องแยกกันออกไปแยกตัวกันกลับขึ้นสนท่านุเดิม ทำร่างกายของเราเดี๋ยวมันก็ตอนที่มันมารวมตัวกันมาเป็นร่างกายเป็นอาการธาตุสองเดี๋ยวในที่สมันก็กลับคืนสูน่ธาตุดินน้าลุไฟไปเออปรามาสก็คือธาตุหกเนี่ยที่เป็นเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเซลล์ที่สร้างอาการต่างๆของร่างกายให้หใช่ไห ม, มร่างกายก็ประกอบด้วยเซลล์ชนิดต่า ง, างๆนะมันก็มันก็สร้างเป็นหัวใจสร้างเป็น บอเป็นตับเป็นไตขึ้นมาไอ้เซลล์นี่ก็มันมาจากธาตุสี่ทีนะธาตุสี่เป็นตัวสร้างเซลล์ทีนะยิ่งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่มันมันจอดจากธาตุทั้งทั้งสี่ดินน้ำลงไปแล้วถ้ามีเป็นมีชีวิตชีวาขึ้นมามีความรู้สึกเน้อเคลียก็มีธาตุที่ห้ามาเกาะมาเชื่อมคือธาตุรู้ จใจผู้รู้ผู้คิดเนี่ยร่างกายมันไม่คิดไม่เป็นมันไม่รู้อะไรผู้รู้ผู้คิดเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆแล้วก็อาศัยอากอาอวกาศสาธานเป็นที่ที่เคลื่อนไหวเป็นเป็นเป็นเื้อที่อวกาศสธานก็คือเนื้อที่าานนที่ธานทั้งห้าที่จะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้ถ้าไม่มีอวกาศสถานก็ไม่มีพื้นที่ ในทุกสิ่งทุกอย่างในในในจักรวาลนี้ทั้งในโลกโลกกระธาตุในโลกระทิพย์ก็ประกอบขึ้นมาด้วยธาตุทั้งหกนี่ในโลกระธาตุนี้ก็มีธาตุห้ า, าดินน้ํำลมไฟกับอวกาศธาตุในโลกทิพย์ก็มีมีธาตุรู้ธาตุรู้นี้ก็แ บ, บ่งเป็นเกรดไปเป็นเป็นชั้นชั้นไปเป็นสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นอาบายชั้นต่างๆก็คือตัวธาตุรู้นี่ อันนี้เป็นบาลมัตย์ความจริงเดี๋ย ว, ยวพอร่างกายที่ตายไปคนที่เป็นนายกก็หายไปเพราะมันพอตัวที่เป็นนายกมันกลับไปเป็นนิ่น้ำลงไป ต, ตัวจิตตัวรู้มันก็ไปตามบุญตามบาป ท, ที่มันทำไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาได้ร่างกายใหม่มา เ, เป็นนู่นเป็นนี่ใหม่เป็นเป็นตัวละครสมมติก็คือตัวละคร กลับมาเล่นเป็นเป็นพระเอกบ้างเป็นนางเอกบ้างเป็นผู้ร้ายบ้างเป็นเป็นโจรบ้างเป็นคนใจบุญคนใจบากเลยรก็เล่นไปตามตามบทตามบุญตามบาปที่ได้ได้ทำไว้เป็นโรงเป็นโรงละครโรงใหญ่โลกนี้เป็นโรงละครโรงใหญ่เราเป็นตัวละครตัวหนึ่ง ดี๋ยวเราก็จบบทเราก็จบเราก็ไปหาโรงละครโรงใหม่เราไปนะั่นรอร่างกายใหม่พอได้ร่างกายใหม่ก็เดินเดินบทใหม่อาจจะไม่ได้มาบนบนโลกนี้ก็ได้อาจจะอยู่บนดาวดวงหน่งก็ได้ในจักรวาลนี่มันมีดวงดาวทังเยัะษมันมันจะต้องมีมนุษย์อยู่ละไม่ใช่มีแต่มนุษย์เฉพาะโลงนี้โลงเดียวใช่ไหม ต่อไปโลกนี้มันก็ต้องพังมันเนยมันก็มันก็อนิจจังเหมือนกันดาวดาวโลกนี้มันไในที่สุดมันก็ทำหมดสภาพทําให้ร่างกายอยู่ไม่ได้มันก็ไปสร้างมันก็ไปมีที่อื่นดาวดวงอื่นที่มีดินน้าลมไฟที่ความที่จะผลิตร่างกายมันก็จะมีมีธาตุลูกไปเกาบไปติด การเกิดคราวหน้าเราอาจเป็นมนุษย์แต่ยังไม่เป็นมนุษย์บนโลกนี้ก็ได้อาจจะเป็นมนุษย์ในโลกหนึ่งที่อาจจะล้าสมัยกว่าเราหรืกอก้าวหน้ากว่เราก็ได้มันจะกลับไปในยุคไดโนเสาร์ก็ได้จจะไปก็กลุ่มเราเขาเพิ่งเริ่มต้นเขายอยูอ่กับไดโนเสาร์หรืออาจไปเกิดในโลกที่พัฒนามากกว่าโลกเราเขอาจจะเป็นโลกที่อที่มีอะไรที่เราไม่มีก็ได้แต่มันก็แค่เป็นโลกเป็นสมมติโลกสมมติ ช่วงเท้าเดี๋ยวก็จบแล้วเราก็าไปทุกกับมันเวลาได้ก็ดีใจเวลาเวลาไม่เวลาเสียก็เสียใจไม่ว่าจไปเกิดที่ไหนมันก็ต้องมีความเสียใจตามมามันมีการสูญเสียมีการสิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาเป็นของเรา ในวิธีการนี้สก็คืออย่าไปเกิดอย่าไปเกิดก็ต้งปฏิบัติสินสบายที่ปัญญาให้จิตมีความสุขในตัวมันเองจะได้ไม่ต้องไปอาศาัยความสุขผ่านทางล่างกายผ่านทางโลกธานพอได้เข้าใจหมครับครับขอบพระคุณครับรอาจารย์ okay. คุณแนนต่อคุณแนนจากคุณ ด, ดอนธานีตัดเรมาสครนะคะอาจารย์วันนี้ไม่มีคาถามค่ะยังคงเป็นที่คนยินดีอยู่นเอ์อสิ้นอันนี้อากาศเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมยดีแล้วค่ะค่ะเดวิดฝากกราบท่านอาจารย์ก่อนไปทำ ง, งานนะคะน่านจะกาบาดใช้ไหมตอนนี้ย้ายเข้าบ้านแล้วใค่ะย้ายเข้าแล้วค่ะท่านอาจารย์ เป็นบ้านเดียวหรือเป็นอาพนนนอาร์ตเมนต์อพาร์เมนต์คะ่ะท่านอาจารย์เพราะว่าหนูเอาอาพาร์ตเมนต์ชั้นสองะค่ะก็เลยต้องรอเพราะว่าถ้าเกิดชั้นล่างก็กลัวเรื่องที่จะต้องไปสู้กับคนชั้นบนเสียงเขาบนค่ะอยู่ชั้นบนค่ะเพราะว่าชั้นล่างต้องมานั่งเรื่องมดเรื่องอะไรเนี้ยค่ะก็เลยแบบไม่เอาก็เลยตัดตรงนี้เปนดนเจริญรู้าจากเรื่องนะ <c oughs> เราขี้เกียจไปไปไปทะเลาะกับเอแบ่งแยกดินแดนกับพวกสัตว์ต่างๆนะคะท่านอาจารย์ <Okay. S 2> แล้วหนูก็เลยเอาข้างบนก็เลยต้องรอถึงถึงเดือนเนี้ยค่ะท่านอาจารย์ก็ก็ดีก็ได้ตามที่เราต้องกาโอเคหวัง okay. ว่าห<ช>วังว่าคนจะเรียบร้อยดีค่ะท่านอาจารย์เรียบร้อยค่ะท่านอาจารย์คะ่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์เปนอย่างสงูงค่ะท่านอาจารย์หนูไม่มีปัญหาไม่มีเป็นไม่มีคําถามคะ่ะโอเค ใช่ครับศพอยู่อยู่บ้านคนเดียวก็ทําบ้านให้เราเป็นวัานได้นะ<ข>อาจารย์แต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็กําลังจัดนู่นจัดนี่ก็จัดขอให้เข้าที่เข้าทางแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่มีสติทำทาด้วยสติกันแล้วกันค่ะแ ต, แต่แต่ก็ปฏิบัติค่ะก็นั่งสมาธิทุกวันค่ะไม่เคยไม่เคยขาดค่ะท่านอาจารย์โอเคดีท่านอาจารย์ขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์ที่คุณจูนต่อจูนอยู่ที่ไหนจูน กรับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ที่ไหนคุณเชิญหนอยู่ยหนูอยู่จังหวัดปทุมธานีค่ะโอเคพอดีมารายงานผลการปฏิบัติธรรมแค่ะอะว่าเมื่อวันที่31ถึงวันที่6หนูไปปฏิบัติธรรมที่สำนักงสงฆ์ทักษสวนครูค่ะที่สระบุรีอค่ะทีนี้หนูหนูก็เหมือนจิตสงบแล้วหนูเห็นว่าอารมณ์ในจิต แล้วเราเราทีนี้ตอนนี้ก็คือเหมือนย่กับว่าใจมันมีความสุขอะค่ะแล้วทีนี้มันเหมือนกับว่าใจมันมันมันหยุดใจเห็นะดีแค่ใมันให้มันมีความสุขเรื่อยๆเราอย่าให้มันไปอยากหาความสุขจากจากรูปเสียงกินเราถ้ามันอยากก็ใช้ใจรักให้หยู่มันถ้าอยากจะไปหาความสุขจาก ดูน้ำฟังเรงก็บอกเป็นความสุขแบบยาเย้เสร็จติดเสร็จแล้วติดเวลาไม่ได้เสร็จก็จะทุกข์ช่อหาความสุขจากการทำใจสงบดีบ้าเออหนูไม่มีคำถามค่ะโอเคคุณชันนี่ชันนี่แบงคบ์ <c oughs> ขอทอธมกับน้ำมสัส ก, การค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามค่ะ โอเคเห็นไปนี้เป็นมรดิกาจากนร า, าี่ว่าสมรดิก า, ากลับน้มัติการเจ้าข่าพระอาจารย์ได้ยินไ้มคะมได้ยินชัดเจนพูดได้เลยนะคะเพรา พ, พอปฏิบัติอยู่นะคะพระอาจารย์แต่เมื่อตอนนี้เจอภาวะอย่างหนึ่งก็คือเกิดความกลัวตายขึ้นมานะค่ะพระอาจารย์ทั้งๆที่ว่าแต่ก่อนไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดกลัวแต่ตอนนี้พอ อุเบกขาอุเบกขาหมดต้องฝึกสมาธิให้มากมากเลยถ้าไม่มีเบกขาแล้วมันจะกลัวพอมีอุเบกขาแล้วมันก็จะหายกลัวนะพยาฝึกสติให้นั่งสมาธิมากๆให้จิตดวงแสดงว่าปัญญาเรามันยังไม่มันไม่มันไม่ถึงปัญญาจริงถ้าเป็นปัญญาจริงมันจะไม่กลัวเ มันหายไปแล้วมันเป็นสัญญาไปแล้ว <c oughs> มันลืมไปแลวมัต้องตายพอมันคิดถึงการตายก็เลยกลัวขึว้นมากลัวค่ะอาจารย์พ อ, อกลัวเสร็จแล้วพวกมันก็แบบรีบออกนั่งส ม, มาธิก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องออกขึ้นมาทันทีเลยค่ะก <c oughs> ็ต้อให้มันอยู่ในสมาธิแล้วมันจะหายกลัวออกมามันก็กลัวอยู่นะ เราจะพยายามพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพยายาปล่อยให้มันคิดถึงความตายช่วงนั้นหยุดคิดก่อ น, น, นยิ่งคิดยิ่งกลัวใหญ่อย่าไปคิดให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธให้ทำใจให้นิ่งให้สงบให้น า, นานแล้วจะหายกลัวออกมาก็ยังกลัวอ ย, อยู่นะอต้องเห่าออกม่อยากให้มันนนะ่นฉุดมันไปก็น่าถ้ามันไม่ยอมอยู่พุโทพธโธก็ พูดทางสางมังกาชามีทำมางทางมั ง, มงกาชามินไปส่วนอะไรไปเรื่อยๆคนหาใจ ไ, ได้ยังไงได้ถ้ามันจะไม่ค่อยกลัวก็ไม่กลัวเลยถ้ามันนน่งสงบเต็มที่นี่ยเราขาดอุเบกขาขาดสมาธิเอาไปคิดถึงความตายมันก็เลยกลัวมเป็นวะยังพิจารณาความตายก็ได้นะ อข้าใจไหมเข้าใจเข้านะครับพระอาจาย์าธค่ะโอเคอาจารย์สายทิพย์ต่ออาจารย์สายทิพย์วันนี้อยู่ที่ไหนสาน ก, นส ก, การเนี่ยการนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้อยู่ขันแก่นค่ะอันนี้กลับบ้านค่ะก็ยังถือสินแฝดแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ค่ะพระอาจารย์ <c oughs> เป็นการถือซินแปร ท, ที่ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาทีนี้เคได้ยินคนถามพระอาจารย์ค่ะเรื่องของพวกเซบูที่มันมีกลิ่นหรืออะไรพวกนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็นาฬิกาอันนี้ใส่ได้ไหมคะนาฬิกาถ้าใช้ต้องใช้ดูดูเวลาก็ได้แต่ถ้าใช้ไว้เป็นเป็นครื่องประดับก็ไม่ได้อ๋อใช้ใช้เพื่อ ด, ดูเวลาเฉยๆค่ะเพราะว่า <c oughs> บางทีก็ไม่อยากดูมือถือมือถือมัน <c oughs> เดี๋ยวมันก็ไปเห็นอะไรอีกเยอะแยะอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์พระป่าท่านก็ใช้นาฬิกาแต่ท่านท่านแต่ท่านจะไม่ท่านจะไม่ใส่ไว้ในในข้อมเลท่านจะทําใส่กระเป๋านังเล็กๆติดไว้กับเข็มขัดอที่เอวเวลาท่านจะดูนาฬิกาท่านก็ดูที่เออ๋อก็ค่อยค่อยค่อยยกมาดูนะคะพระอาจารย์ถ้าเราถ้าเราบางคนทําวันนี้เขาไม่ได้ใสเพื่อดูนาฬิกาดูเวลาหรอดูใส่เพื่อเป็นเครื่องประดับเนี่ย เป็นแฟชั่นช่างเย็นมีชอบใส่นาฬิกาใหญ่ๆมันผู้ชายอืแล้วเป็นแฟชั่นแต่ใสแบบนั้นไม่ควรใสแต่ใสเพื่อดูนาฬกาถ้าถ้าเราพกพาเราได้ไม่ต้องโชว์มันได้ก็โอเคยิ่งดีอ่ะมีกระเป๋าเราใส่เข้าไปในกระเป๋าแต่ถ้าถ้าต้องใส่เป็นข้อง ถ้าใส่ในบนข้อมือก็ได้แต่มันก็อาจจะไป็นการเป็นเครื่องประดับไปได้อืมค่ะก็คือถ้าถ้าเคร่งแล้วก็ก็ไม่ไม่ไม่ควรใส่แต่ถ้าไม่อะไรก็ก็ไม่ถึงกับกะห้ามซะทีเดียวใช่ไหมคะพระอาจารย์ถึงแต่เราไม่ได้ใส่เพื่อความสวยงามใช่ไม่ได้ใส่เพื่อความสวยงามเราใส่เพื่อย่นเป็นบอกเวลาอันนี้ก็ใช้ได้ค่ะทีนี้เห็นเรื่องของสบู่ เห็นเห็นมีคนถามพระอาจารย์เราบอกว่าถ้าไม่ีกลิ่นหอมก็ไม่ได้ใช่ไหมครับพระอาจารย์ไม่ควรใช่เพราะมันก็เป็นเป็นการเสพกิ่นไงในเสพยูเสพกลิ่นน้ดอยู่เรื่องของสบู่กลิ่นของสบู่ไปยังเกิดควารสุกมาแล้วได้กลิ่นหอมของสบู่แล้วเัอนึกถึงความสุขใจสมัยก่อนทีนี้แทบถ้าพระท่านใช้สบู่เที่ไม่มีกลิ่นสมัยก่อนเขาใช้ซันในสบู่ซันไล ทำไมนี่เขาก็มีก็มีสบู่ที่ไม่ค่อยมีกเก่งสบู่ที่เขาใช้กับเด็กเนี่ยไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่ทีนี้หนูหนูมีของเดิมอยู่เยอะใช้ให้หมดก่อนได้ไม่ทำทานเหลยครับไม่ทาบุญทำทานจะได้บุญได้กุศลแล้วก็จะได้ตัดกิเลสไปในตัวได้สองเล่มถ้าเก่งไม่ใช้ก็แสดงว่าไม่ได้ทําทานแล้วก็ยังยังเสียได้กิเลสอย่าง ไม่ค่ะหมายถึงว่าที่อยู่ในขวดที่เราใช้อยู่แล้วเนี้ยค่ะพระอาจารย์ใช้ทิ้งไปก็แล้วกันอ๋อแล้วใช่ค่ะงั้นงั้นก็ทิ้งเลยนะคะได้ค่ะตอนแรกก็เลยจะได้รู้ว่าเราเด็ดเดียวไหมอ๋อหนูก็คิดวเอ๊ะใช้ให้หมดให้หมดแล้วก็ไม่ซื้อมาเพิ่มก็เลยใช้มาเรื่อยๆอยู่เลยอยู่ยัอยกอยู่ยังไอยกเสียดายหนูนึกว่าเอองั้นงั้นเสียดายของงั้นเดี๋ยวเดือนหนูไม่ไม่ใช้ละค่ะค่ะ อาจารย์คะมีวันหนึ่งฝันค่ะน่าจะหิวฝันว่ากินบะหมี่เข้าไปในปากแบบเหมือนแบบง่วงง่วงแล้วในฝันเป็นง่วงแล้วก็กินแล้วก็คิดได้ว่าเฮ้ยถือสิ้นแปดยู่นี่จะกินได้ยังไงในฝันก็ก็ถามตัวเองว่าเอาไงจะคลายหรือจะกลืนถ้ากลืนลก็บอกว่าเดี๋ยวเราค่อยถือใหม่ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ในฝันก็ได้แบบเหมือ น, อ ก, นก็เลยไม่คนทําก็เลยคลายทิ้งค่ะทีนี้มันเหลือเหมือนติดอยู่ที่ลิ้นว่ามันมีรสชาติอยู่ ตะบ้วนหรือไม่บ่วนหาไม่บ้วนละกันเกืนยังยังขาดอีกนิดหนึ่งนะคะพระอาจารย์ยังยังเสียเวลาอยีกนิดหนึ่งแต่ยังดียังยังยังยังคายทิ้งได้ก็ยังโอเคค่ะเหมือนแบบนั่นคงใจหิวแล้วฝันว่ากินค่ะพระอาจารย์แล้วก็แล้ไม่ไปได้ไม่เป็นไรเป็นความฝันไม่ถือว่าเป็นการผิดสิลเห็นแล้วว่ามันมันเป็นเหมือนกับเป็นการบอกให้เรารู้ว่าจิตเรายังติดอยู่ค่ะ ก็ก็ยังหิวหิวลอรอเมื่อไหร่พระที่จะขึ้นอยู่บ้างเหมือนกันค่ะพระอาจารย์หิวค้าแต่ว่าตอนนี้พื้นที่นอนรู้สึกมันไม่แข็งแล้วนะคะพระอาจารย์บางทีรู้สึกมันไอที่เป็นพื้นไม้บางทีมันบางวันรู้สึกมันนุ่มด้วยค่ะพระอาจารย์ไม่เป็นไรก็มันจะนุ่มมันก็ไม่เป็นไรนั่นแต่แลอาจะชิ่งหิวมันแล้วก็ได้นะก็แต่มันเจะมันก็จะไม่ทําให้เรานอนมากถ้านอนบนพื้นแข็ง เดี๋วพาร่างกายพักมันพอแล้วมันก็ตื่นให้หมาเองค่ะแต่มันเอมั น, ม, นมันก็จะตื่นขึ้นมาแต่ว่าก็ยังมีอ้อยอิงอยู่นะคะพรอาจารย์ก็ต้องัง ค, งบงคับมันระวังขับมันรีบลุกเลยมาถึงเวลาตืนาต่นแล้วอย่าไปอ้อยอิงรีบลุกขึ้นมาเลยค่ะค่ะช่วงนี้ก็มีฝึกคิดเรื่องของการพัดพักบ้างคะ่ะพรอาจารย์คิดว่าคนนี้ตายไปคนนั้นตายไปแล้วอบบ ใจจะเป็นยังไงค่ะค่อยๆซ้อมซ้อมคิดค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยอยากเจอการปลาดพลาดเลยต้องซ้อมคิดทั้งคนทั้งของด้วยของก็บางทีก็ต้องจากกันหนสิ่งขอต่างๆค่ะค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวทำไปเรื่อยๆค่ะทอาไปก็จะได้รู้ว่ามันต้องมันต้องจากกันไม่เย็เป็นติ้งจะทำให้เราทุกได้ค่ะ หมดคำถามแล้วคะ่ะอาจารย์โอเคปฏิบัติต่อไปค่ะสาธุค่ะคาธุอุตส่าห์ทนาบอเวนกล่กาวรมมาสการพระอาจารย์ทกค่ะวันนี้ไม่มีคําถามก็ค่ะเข้ามากล่าวพระอาจารย์แล้วก็มาอ่านวอมคำถามกโอเคงั okay. ้นไปที่คุณอ้อคุณจอยต่อจอยจอยพัทยาเก่ า, าค่ะยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรค่ะ ไม่ม okay. ีอะไรนะโอเคเดี๋ยววันเสาร์พาลูกไปใส่บาตรบรพะบรรพะพาลูกคนโตไปด้วยอเปล่าเน้อก็เดืนนี้ก็ไปเองไม่ต้องไม่ต้องไม่บังคับโอเคเขบอกว่าไปเขาก็ไปด้วยโอเคดีค่ะอ่าในประเทคนคนยอมหนีงต่อยอมเหนีงอยู่ที่ไหนวันไ a ก่อนจะ กราบธรรมสการเจ้าคะ่ะอยู่ที่ไหนยมยมอยู่กรุงเทพเจ้าคะ่ะมีอะไรไหเจ้าคะ่ะขอโอกาสกราบเรียนถามบ้าอาจารย์เจ้าคะ่ะคือที่ผ่านมายมมีปัญหาว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่ไม่มีเวลาได้ปฏิบัติต่อเนื่องเจ้าคะ่ะแล้วช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก่อนที่เขาจะหยุดยาวปีใหม่อะคะ่ะยมได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรม ทีนี้พอตั้งใจปฏิบัติเต็มที่เนี่ยเรียกว่าตั้งแต่กลางเดือนธันวามาเลยจนเดี๋ยวนี้โยมก็พยายามมันมันมีสภาวะธรรมบางอย่างเกิดขึ้นแล้วอย่างได้โอกาสกลับเรียนถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเจ้าค่ะเพื่อเพื่อเร่งความเพียรขึ้นไปอีกเจ้าค่ะคือทุกวันนี้คืออ่าโยมกลับมามีความรู้สึกว่าสมาธิรวมได้มากขึ้น แล้วสภาวะธรรมที่เกิดที่อยากกลับเรียนถามคือเมื่อเวลาที่เรารู้สึกว่าสมาธิเรานิ่งแล้วออยอมยอมถนัดธรรมแบบอาณาปานาสตินะเจ้าคะ่ะเมื่อรู้สึกว่าเราสามารถตามลมหายใจทันแล้วรู้ละเอียดมันจะเห็นเห็นรูปกับนามันเกิดดับสลับกันอย่างนี้นเจ้าคะ่ะ แล้วสภาวะที่เกิดขึ้นที่อยากกลับเดินถามคือยอมรู้สึกเบื่อ <c oughs> เบื่อรูปเบื่อ <c oughs> นามเบื่อมากเบื่อในความที่มันมันควบคุมไม่ได้มันอย่างถ้าแยกเลยก็คืออย่างรูปสิ่งที่ไม่เคยรู้สึกยอมก็รู้สึกว่า ที่แบกอยู่ที่เดินอยู่ทุกวันเนี้ยจนอายุห้าสิบกว่าเนี่ยมันไม่เห็นมีอะไรที่เป็นความสุขเลยมันมันเป็นภาระทุกอย่างเลยเจ้าค่ะเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็เป็นความน่าเบื่อขึ้นมาชัดมากตัวอย่างถ้าเป็นรูปก็คือเวลาที่โยมยังนั่งอยู่ในระดับที่แบบต้องเพ่งลมหายใจเข้าออกโยมรู้สึกว่าเป็นภาระกระทั่งลมเข้ากับลมออก ถ้าเข้าแล้วไม่ออกก็อึดอัดออกแล้วไม่เข้าก็อึดอัดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลมหายไปแล้วหรือว่าตตัวหายไปแล้วอย่าเงี้ยค่ะยังก็รู้สึกเบาแบบเออรูปนี่มันมันเป็นอย่างเงี้ยพอมันย้อนกลับขึ้นมาใหม่ก็อ่าใหม่อีอกละถ้านั่งแล้วถึงเวลาร้อนเย็นตอนที่ตอนที่มันไม่เหลืออลมไม่เหลือตัวแล้วเนี่ยไม่เดือดร้อนนะเจ้าคะ่ะจะร้อนจะเย็นแต่พอกลับจะถอนออกมาอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะ ผิวร้อนเย็นอะไรต่างๆมันต้องแบกไปหมดส่วนน้ำนี้ยิ้มเบื่อเจ้าค่ะคื อ, อมันคงมไม่ชัดยอมปฏิบัติไม่ถูกก็แล้วเจ้เานั่งสมาธินี่ไม่ไม่ควรไปรับรู้อะไรเลยเวลดูลม ใ, ให้ดูลมอย่างเดียวไม่าไปรู้รูปน้ำหรืออะไรทั้งสิน้นสิ่งที่เราทำก็คือทําใจใช้ใช้การดูลมเพื่อทาใจให้นิ่งสมบให้ว่างให้เย็นให้สบาย ตอนนั้นไม่ใช่เป็นเวลาที่เราจะไปดูรูปนาไปพิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายอะไรขึ้นมาถ้ามันไปพิจารณาตอนนั้นใจที่ยังไม่สงบมันพิจารณาแล้วมันจะทุกข์ก็แน่เลยเหมือนที่เมื่อกี้ก่อนนั้นเล่าเรื่องกลัวความตายใจยังไม่สงบไปพิจารณาความตายมันก็ทุกขขึ้นมากลัวความตายขึ้นมาดังนั้นตอนทําสมาธิไม่ให้ไปพิจารณาไม่ให้ไปรับรู้เรื่องลูกนาอะไรทั้งสิ้น ให้รู้อยู่กับลมเพลงอย่างเดียวเพื่อให้จิต น, นิ่งสงบว่างเย็นสบายมีอุเบกขามีความสุขเราพยายามให้มันอยู่ในสภาพนั้นนานๆเวลาออกมาที่ออกมาแล้วค่อยพิจารณาพิจารณาลูกนาะำพิจารณาต่หน้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แต่มันจะไม่เบื่อนะมันจะมันเบื่อนาะแต่มันไม่ทุกข์กับสิ่งตา่าง ถ้ามีอุเบค่ะมันจะมันจะปล่อยวา่าแล้วรู้สึกเออพอปล่อยมันเห็นว่ามันทุกข์แล้วปล่อยมันให้ทําให้ใจเบาวาให้ใ จ, ใใจใเย็นมากขึ้นไปเจ้าค่ะขอกัเรเจ้าค่ะนะครับทัศาที่อย่าอย่าอย่าไปดูรูปดูนามดูอะไรทั้งสิ้นให้ดูลมอย่างเดียวแปลว่าจิตจะนิ่งสงบแล้วเราหายไปเลแต่ความว่างได้อยู่กับความว่างไปนาน จนกว่าจะถอนออกจากสมาธิพอถอนถออกมาแล้วที่จะไปดูรูกนามได้แล้วไปพิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ได้เขาอากาศโยมอยากกลับเรียนถามตรงนี้พอดีเลยเจ้าค่ะคือโยมไม่ได้นั่งต่อเนื่องแล้วก็ไม่ค่อยได้เข้าหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์โยมตรงนี้แหละเจ้าค่ะที่โยมกลับเรียนถามคือสมาธิที่รวมเนี่ยโยม อยู่กับมันทีละสองชั่วโมงครึ่งอะไรมีความสุขแถอนไม่ได้ไม่อยากออกเลยไงค่ะตอนยิ่งตอนที่ไม่มีตัวแล้วยิ่งมีความสุขไงยจ้าค่ะแล้วยอมยมอยากเรียนถามว่าไอ้แบบไหนที่เขาบอกว่าอย่าไปติดสุขในสมาธิจนลืมพิจารณาปัญญาคือความที่เมื่อกี้ยมเล่าอาจจะข้ามไปนิดนึงหมายความว่าโยมแช่อยู่ตรงนั้นจนแบบไม่รู้เจ็บเวลาทำสมาธิก็แช่นานๆไปแช่กี่ชั่วโมงก็ได้ แต่พออกจากสมาธิมาแล้วก็มาเจาริญปัญญาต่อได้สลับกันทําเวลาอยู่ในสมาธิไม่ทำปัญญาเวลาเ<ม>จะเอกมาจากสมาธิแล้วค่อยามาเจริญปัญญามาพิจารณาตต่ลอกออกจากสมาธินี่หมายถึงว่าเราถอนออกมาเลยเออมาแล้วลุกขึ้มนมาทําภาร ก, กิจอะไรต่างๆนะอ๋อ แล้วก็พิจารณาร่างกายได้ตอนที่เรากำลังทําอะไรอยู่เนี่ยตอนที่นั่งคุยกันนี้ก็พิจารณาอาการฐานสองไปก็ได้เจ้าค่ะพิจารณาความตายไปก็ได้อะไรก็ได้พิจารณาได้หมดแต่อย่าไปทไําในตอนที่จิตนิ่งสงบอยู่ในสมาธิค่ะยมไปตั้งออกตั้งใจออกจากจิตนิ่งเพราะว่ารู้สึกว่าไอเราแช่นานกันไปเราหรือเปล่า อ, อย่าไปไอย่าไปเดินไปหลอกมาให้มันนิ่งให้มันจบๆมันจะออกมาเอง อ๋อให้มันออกมาเองนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะออกมาแล้วทีนี้มาออกมาลุกขึ้นมายืนเดินนั่งทําอะไรก็พิจารณาได้หมดเรื่องเสียกิ่นรสอะต่างที่เราเห็นพิจารณาดูของจริงเลยไม่ใช่ดูไม่ใช่พิจารณาจากจินตนาการดูร่างกายอะไรร่างกายนี้เดียมไม่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกาย น, นี่มีอาการ32 ท่าสมบัติเข้าของเงินทองเนี่ยมันก็ต้องมีการพัดพักอย่างกันอ๋อที่พระอาจารย์สอนมาตลอดว่าทําสมาธิเออเห น, นื่อยพิจารณาปัญญาแล้วก็เข้าไปพักในสมาธิ เ, เข้าพักในสมาธิออกมาปัญญ า, เ, เ, ขาเข้าออกนี่หมายถึงว่า ปัญญาเอาไว้ถอนออกจากสมาธิออกมาก่อนเลยถึงค่อยพิจารณาใช่ไหมเจ้าใช่เป<ม>็นเวลามาเดิ น, น, ยนยมคงกย่างเนี้ยเดินยมกว่าพิจารณาอะไรไปให้หมดได้ไหมค่ะเจ้าค่ะยมยมคงทําผิดยมไปรู้สึกว่ามันแช่จนมันอิ่มตั้งแต่แบบตั้งแต่ตอนทีเต็มอิมากมมันจะไ ด, ได้ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไม่ไมีอาการรู้สึกเลากช้ำกลัวหลงกับอะไรอ่า แล้วก็จะเห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่ามันเป็นแค่ไตรลักษเท่านั้นงมันของไม่เทียมเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เราควบคุมบันคับไม่ได้นัตตาไม่มีตัวตนถ้าไปยึดไปติดกับมันก็จะทําให้เราทุกันต้องปล่อยวางทุกอย่างไม่ให้หมนถ้าใจอิ่มแล้วปล่อยมันไม่ทุกขถ้าใจไม่อิมปล่อยแล้วมันจะทุกขมันจะเสียได้อย่างเมื่อกี้อาจารย์สายเที่บอกยังเสียได้ข้าวในปากน มันใจมันไม่อิ่มใจมันยังหีวอยู่ถ้าใจมันหิวแล้วมันพิจารณาของม่ปานของอของชั่วคราวครับสุขชั่วคราวคลายทิ้งไปเลยเพราะาใใเรามีความสุขจะในใจเรามีความสุขจากความสงบที่ติดออกมาจากสมาธิเจ้าค่ะ แล้วไม่ อ, อไ ม, ไม่ไม่ต้องไปกลัวติดสุขนั่นต้องติดสุขนั่นต้องมีสุกก่อน <c oughs> เราถึงจยปล่อยเราถึงจะปล่อยสิ่ง อ, องอย่างอื่นได้ถ้า <c oughs> เราปล่อยไม่ได้ถ้าเราไม่มีของที่ดีกว่า <c oughs> ถ้าเราได้รถคันใหม่แล้วก็ทิ้อรถคันเก่าได้แต่ถ้าเรายังไม่มีรถคันใหม่รถมันจะเก่าย่งเยทนใช้ไปก่อนดีกว่าเดินนะจ้าถ้าอย่างนั้นโดยสรุปตอนที่เราได้สมาธิเราอย่าไป กลัวเตดสุกเราอย่าไปจงใจดึงถอนสมาธิออกมาให้มันจงดานให้มันแช่นดานนานที่สุดเท่านนะแช่ไปเรื่อยมันได้กี่ชั่วโมงดูกามันจะออกมาเองพอออกมาที่เขาเอามาใช้ทางปัญญาอย่าไปติดสมาธิอย่ากลับไปเข้าสมาธิจ้าค่ะยกเว้นว่าถ้าเรายังไม่ชํานาญการเข้าสมาธิออกมาเรายังอาจจะไม่พิจารณาทางปัญญาเราจะเจริญสติต่อไปก่อนคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปก่อน เพื่ที่เราจะได้กลับเข้าไปในสมาธิได้ง่ายถ้าเราสามารถเข้าสมาธิได้ง่ายได้ได้สะดวกได้นานนะทีนี้เราเอาาอกงานเข้ามาเจริญปัญญาต่ไอได้เจ้า ค, ค่ะข้าใหญ่หรือยังข้าใเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้ า, า, าค่ะพระอาจารย์มีใไปที่คุณปางวะไรต่อปางวะไลศรีราชากลับบ้านแล้วหรือยไม่อยู่ที่โรงแรม กลับบ้านแล้วเจ้ค่ะก็ตอนนี้ลูกสาวกลับเชียงรายแล้วเจ้ค่ะทีนี้หนูได้ข้อเปรียบเทียบระหว่างครั้งแรกๆที่เขาที่เขาไปเรียนกับกับครั้งนี้ที่เขากลับไปเรียนอีกรอบนึงหนูหนูเฉยๆมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรมันเหมือนมีความอุเบกขาแต่ว่าช่วงที่เขาอยู่วิก่ะหนูจะมีโอกาสที่จะเข้าสมาธิน้อยเพราะหนูไม่มีที่ที่นู่นสมาธิที่บ้านหนูก็เลยตั้งใจว่า เอาละที่นี่ใช้ปัญญาแล้วก็ช่วงอาศัยช่วงที่ไปใส่บาตรพระอาจารย์ตอนเช้าค่ะใส่บาตเสร็จปุ๊บหนูก็ใช้เวลาเล็กๆนั่งสมาธิในในรถเอาก็ก็เลยมองว่าโอเคสลับกันใช้ปัญญาเยอะๆแล้วพอเสร็จแล้วหมืนที่พระอาจารย์บอกว่าเหนื่อยเรากลับมานั่งสมาธิอะไรงก็เลยช่วยได้ อ, อ, อ, อค่ะส่วนแฟนมันใช้ปัญญาอย่างเดียวมันจะฟุ้งเนละ่นมันจะฟุ้งซ่านใช่เจ้าค่ะอย่างนเวลาถ้าอยู่กับครอบครัวเนี่ยค่ะ มันก็มันก็ฟุง้งพอฟุ้งเสร็จปุ๊บแล้วแล้วก็เราเราก็รู้รู้ว่าอ๋อมันเริ่มฟุ้งแล้วหนูก็หนูก็ต้องกลับมันนั่งนิ่งๆใหม่อะไรอยา่างเงี้ยใช่ครับส่วนแฟนเขาก็ดีขึ้นเขาบอกว่าเพราด้วยความที่เวลาเปิดฟังธรรมะแต่เปิดฟังให้แฟนเขาได้ยินด้วยเขาเป็นคริสเขาก็บอกว่าพอฟังพระอาจารย์บ่อยๆเหมือนเขาเริ่มเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มปรงมากขึ้นก็คือที่คิดถึงลูกก็คือจะคิดถึงน้อยลงแล้วเขาก็บอกว่า ศา ส, สนาพุทธในโชคดีอะค่ะอย่างคริสเนี่ยเขาไม่มีโอกาสได้ได้สอบถามหรือได้คุยกับกับพระกับพระหรือคุณพ่อเลยแต่ว่าของของเราเนี่ยดีตรงที่ว่าติดขัดอะไรปฏิบัติแล้วก็คือสอบถามได้แล้วทำให้ให้ไปปรับใช้ได้ค่ะนี่แล้นเราจะมาเป็นพุทธกันได้คาะหวังว่าอย่างไร น, นเหมือนเหมือนพี่พี่น้องเขามาทาั้งสายพุทธเยอะค่ะ เขามาเรียบ้านบอกว่าเดี๋ยวว่างๆให้หนูพาไปฟังทาพาจาริกค่ะก็ลูกไม่อยู่ก็น่าจะมีเวลาในการนั่งสมาธิปล่อยวางทุกอย่างไม่ใช่ของเรานะกวบคุมบังคับเขาไม่ได้เจคบุญกรรมเป็นตัวกำหนดชะตาชะตาชีวิตของเขาอืมค่ะเราทำอะไรให้เขาได้ก็ทำไปอันไหนที่มันสุดวิสัยก็ต้องปล่อยวาง เจ้าจขากับสาธุเจ้าขา ค, คุณตาวหรคุณตายนี่คุณเตา่าปฏิบัติแบบเต่ายีงกับปฏิบัติแบบตายกระตายน้องกลับ น, าาน <c oughs> มัสการค่ะพระอาจารย์พยายามค่ะพยายามบอกว่าตอนนี้เป็นเต่าหรือเป็นกระต่ายน่าจะเป็นกระต่ายมากกว่าทำเป็นลองช่วงลองช่วงก็มากไปเที่ยวกัน แต่ล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทํำใหม่นี่เราทําแบบก็ตายถ้าทําแบบตา็ทําทำไปเรื่อยๆไม่มีเวลาไปเที่ยวทํําทาไปเรื่อยๆทำให้ชําเมากมากบ้างน้อยบ้างมาทำไปเรื่อยๆก็พยายามค่ะอาจารย์แต่มันก็หลุกไปตอนช่วงปีใหม่คะ่ะดีใจได้กลับบ้าน <laughs> ได้เจอเพื่อนอยู่ที่นี่ไม่มีเพื่อนแต่ก็ ทำไปก่อน <c oughs> ทำเท่าที่ทำได้ไปก่อนอันนี้ผู้เปรียบที่ไม่ฟังถ้าทำแบบเต่าได้านมันจะไปได้ไกลกว่าแต่มันมันตรงมันตรงไปครับอาจารย์อาจารย์โพทิมเลยอ่ะอ <c oughs> ันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะอาจารย์ถ้ายามเอาตัวเองเข้ามาในในสภาพแวดล้อมเดิมๆที่ที่ดีค่ะก <c oughs> ็พยายามแต่ปีหนึ่งก็จะหลุดซัก สองสามครั้งอะค่ะพรอาจารย์คิดว่านะคะกลับบ้านน้อต่อไปก็ทำให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆเลยนะคะใช่ค่ะพ่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ไม่มีอะไรคะ่ะโอเคสาธุขอบคุณมาเลยอะไอยู่วัาการใช่ไหมจากหลวงพ่อค่ะอยู่วัฒการกายังไงมีอะไรมั้ไหมนีม้ นก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิเมค่ะหลวงพ่อ ล, ะะลวงพอ่พ อ, พอคันหนูถามนิดนึงค่ะว่าถ้าสมมติเรายังมีความรู้สึกในใจว่าเหมือนเสียใจมีน้อยใจอะไรอย่าง เ, น เ, นเางเนเนี้ยค่ะหลวงพรู้สึกว่าเราเรายังติดอยู่ในโลกกระทำแปลอะไรอย่างเงี้ยคะใช่ยังยั ง, ย ง, ย ง, ยงหวังเวลาเราหวังอะไรก็ไม่ได้แล้วก็เสียใจ ยังมีความอยาอย่างนี้ยังไม่ปล่อยให้เป็นไปตามตามธรรมชาติของมันแล้วแล้วอช่นนี้มันจะถือว่าเป็นเป็นอุปสรรคในการภาวนาไม่เป็นข้อสารที่เราต้องแก้เราต้องแก้ด้วยปัญญาพิจารณาเป็นอนัตตาเราไปครบคุมบังคับสิ่งต่างๆไม่ได้แล้วพอเรามีสติเรามานึกถึงเรามาดูที่ที่ใจของเราว่า ตอนนี้ยเรารู้สุดยังไงเราสามารถโออเรียกว่าอะไรอยู่กับสิ่งพวกนี้ได้ไหมเราจะแก้ยังไงอย่างนี้ถือว่ามันเป็นปัญญาใช่ไ้มคะหลวงพ่อพูดได้ดังขึ้นหน่อยนะ่าเสียงคว้าไปหน่อยถ้าถ้าสมมุติว่าเราเรายังรู้สึกเสียใจน้อยใจแต่พอเรามีสติเราเหมือนเราเราลึกได้อย่างนี้ค่ะหลวงพอ่อแล้วเราก็เหมือนใช้ทุก ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเออสิ่งสิ่งที่มาทําให้เราเสียใจน้อยใจเนี่ยเราไปควบคุมเขาไม่ได้เราไปบังคับให้ให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากได้อย่างเงี้ยพอเราคิดได้แบบเนี้ยมันเหมือนมั น, ม, นมันคลายความรู้สึกที่เราจะเสียใจน้อยใจอย่างเงี้ยถือว่าเป็นปัญญาใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ใช่แล้วก็ดูว่าคราวหน้าจะจะผิดซ้ำสองอยู่หรือเปล่าจะเสียใจอยูหรือเปล่า แ, <จ>แล้วถ้าเกิดเราถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยมันซ้ำๆแต่เราตายเป็นว่าเราเราเฉยได้แล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าพลิกร้อนอย่างเงี้ยถือว่ามันมันผ่านก็ผ่านาก็ผ่าน ถ, ถ้าไม่ทุกข์ก็ผ่านปฏิบัติเพื่อไม่ให้ทุกข์กับอะไรแล้วแล้วถ้าเกิดมันยังมีแบบเล็กน้อยอย่างเงี้ยเราเราก็ถือว่าเราสอบไม่ผ่านใช่ไหมคะก็ยังไม่ผ่านเต็มร้อยได้แปดสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็ตไป แังตัดไม่ขาด ย, ยังไม่เด็ดขาด ย, ยังยงยังไม่เด็ดขาด ย, ยังอ้อยอย่างเงี้ยยังเสียดายใ่ใอย่างเงี้ออยมันก็ก้าวขึ้นไปถึงโลกรุตระไม่ไม่ได้ใช่ไหมคะคือจะ ก, ก็กำลังก้าวขึ้นไปก็พยายามตัดต่อไปเป็นงานต่อไปว<า>่ามันมั น, มนเราไปเสียดายแล้วเราเราสุขหรือเราทุกข์จากการเสียดายจากการเสียใจ ่อเห็นว่า<ต>เราทุกข์เราก็เราไปเสียใจไปเสียดายเราอยากจะทุกข์ก็ไม่อยากจะทุกข์าไม่อยากทุกข์ก็ไม่เสียดาย้วไปเลยปล่อยเลยหนูแค่เออตอนนี้หนูเห็นว่าในในใจหนูอะมันรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันคือมันมีความเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะหลวงพ่อมันยังมีอยู่แต่มันไม่เหมือนเดิมมันไม่ได้หนักหนา ได้ ม, มันก็เราบางลงไปเรืร่อยๆปฏิบัติไปเรืร่อยๆปัญญามวัยวะขึ้นนึกขึ้นมองมเห็นภาพชัดขึ้นชัดขึ้นมันก็จะบ่อไหวแลความได้มากขึ้นมันก็จะเบามากขึ้นไปตามนันใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อหนูหนมีความรู้สึกว่าทำไมทำไมเราไม่ได้แบบหนักเหมือนหนักเหมือนจังก่อนหนักเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่<ช>แต่มันก็ยังยังมีอยู่บ้างอย่างเงี้ยค<ช>่ะหลวงพ่อแต่ก็มันยังไม่ ยังไม่ขาดยังไม่เคลเื<ม>่อนยังไม่เห็นชัดยังเห็นไม่เห็นตายรักอย่างชัดเจนร้อยเปอร์เซ<ช>็น <ode. S 1> ต์ถ้าเป็นว่าก็ยังมัวยังยังเช่นไปยังเช่นไม่หมดยังมัวมัวอยู่แล้วหนูก็ต้องพยายามพิจารณาตายรักต่อไปให้เห็นชัดเจนว่าเป็นตายน ะ, ย ะ, ยะว่าเป็นทุกทุกอย่างมันให้เราทุกถ้าเราไปหวังประหยัดได้อยากอะไรอย่างมันมันจะทําให้เราทุกไม่ช่างก็เลย ค่ะหลวงพ่อแล้วอย่างอย่างกับกับคนที่เขารู da, ้สึกไม่ดีกับกับเราแต่พอมาณนะตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่าหนูไม่ได้มีอะไรที่ติดค้างในใจหรือพยายามทําคือหนูจะวัดที่ใจหนูว่ามันยังมีเหลือไหมก็แสดงว่าเราเห็นทุกข์ถ้าเราไปยุ่งกับเขาแล้วทำให้เราทุกข์เราก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยค่ะหลวงพ่อก็เลยรู้สึกว่าเออมัน พอฝึกแล้วมันทําให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองค่ะเราไปควบคุมบังคับสิ่งต่างๆไม่ได้ที่เราไปควบเพราะเราอยากจะไปควบคุมให้เขาเป็นตามใจตามใจของเราใช่ค่ะแค่นั้นเองาั้นเร า, า, าทุกอย่างเราไปไปควบคุมบังคับไม่ได้ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติาว่าเป็นธรรมชาติเหมือนดินฟ้ากกอากาศใช่ค่ะ จะเป็นธรรมานาะตตาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นดินฟ้ากาดของทุกสิ่งทุกอยางมันเป็นเหมือนดินฟ้ากาดลูก<ะ>เสียงเกล็ดน้อยจับลูกคอน้อยต่างๆนีเนเน้เป็นเหมือนดินฟ้ากาดเท่านั้นแล้วพอหนูมาพิจารณาปัญญาบ่อยๆเข้าแล้วถ้ามันไม่ไหวหนูก็กลับมาเข้าสมาธิเข้าสมาธิไปหน่ ถ้ามันเหนื่อยแล้วพิจารณาบางทีไม่ไม่ยอมลงไม่ยอมปล่อยกั็พักไันอาจจะเป็นเพราะอุเบกขามีกำลังน้อยกลับไปทำในสมาธิให้มีองุเบกขาไปแล้วกลับมาพิจารณาไปแล้วตอนนี้สภาะของหนูคือมันมันก็รวมสมาธิหนูรวมได้ทั้งหลักตาลืมตาอย่างเนี้ค่ะหลวงพอมันก็จะเข้าสมาธิตลอดแล้วพอพอออกจากสมาธิ มีสิ่งที่มากระทบหนูก็จะไปใช้ปัญญาอย่างนี้เพระก็คือให้สลับกันแบบนี้ได้ได้เวลาวันเขาต้อใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาไม่ได้ก็ต้องใช้สติหยุดหยุดหยุดกิเลสก่อนหยุดความอยากไปก่อนวันนี้หนูมีสมาธิข้าหลวงพ่อรายงานหนูครัอ่าบ๊อบคุณหลวงพ่อคุณหมอสุทัชศนี อยากพัฒนานี่รร ก, การ์พระอาจารย์ค่ะไม่มีคาถามค่ะมีคำถามโอเ ค, ค okay. ไปที่ปนิงต่อนิงัทยาค่ะการรัศ ก, การคพระอญญาจารย์ได้ยินไหมคะชัดเจนดีค่ะระอาารย์คดีมีคาถามนะคะพระอาจารย์คือมันจะเป็นในเรื่องของของงานของใจบางครั้ง อ่อเราจะรู้สึกเฉยๆในเรื่องของการทํางานเพราะรู้สึกว่าบางบางทีทํางานไปเพราะว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเป็นแย่งกันนะคะระชารย mm hmm. ก็รู้สึกว่าเออแย่งกันไปสุดท้ายสุดก็ไม่เหลืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับขัดแย้งในใจนะครับว่าจะแข่งขันกันไปทําไม สุดท้ายก็เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็ไม่อยากจะจะจะได้อะไรอีกแล้วนะคะพระอาจารย์แต่ถ้าถ้าคิดอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าเราเราก็ไม่ไม่ช่วยให้ครอบครัวเพราะว่าตอนนี้มีปัญหายอยู่นะคะมันเราจะต้องทํำยังไงครับอาจารย์เพราะว่าเนี่ยพยายามวางใจครับว่าเราจะต้องทําหน้าที่ตรงนี้ให้มันดีที่สุดนะคะพระอาจารย์คือช่วยได้แต่ต้องมีขอบเขต ช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยความต้องการพื้นฐานได้เห็นปัจจัยสี่นี้ช่วยเขาได้า่าเรื่องอื่นเราอย่าไปช่วยเขาเลยเป็นเรื่องกิเลส ข, ของเขาค<า>่ะพระอาจารย์เอาอย่างนี้ถ้าเขาอดอยากขาดแคลนไม่เป็นข้าวกินซื้อข้าวเราไม่ไปบ้านทํากอาหาที่อยู่ให้เขาอยู่อะแต่ถ้าเขาไปติดการพนันเป็นอะไรเรื่องของเขาเราไม่ไปไปจ่ายไม่ไปไปจ่ายหนี้พนันอะไรให้เขาหรอก ้กาต้องไปจ่ายเองหรือไปชดใช้กับที่เขาทาเองไปติดคุกติดตารางเรื่ก็แล้วแต่ยันไม่เข็ดอย่างนี้มันมันช่วยไม่มีวันจบเนาะถ้าช่วยแบบนี้ค่ะพระอาจารย์แต่ทีนี้มันก็เหมือนกับว่ามันก็หลายๆหลายๆคนหลายๆ ค, ความคิดนะคะพระอาจารย์ว่าถ้าเราไม่ยื่นมือไปช่วยนะคะเพราะว่าก็เหมือนกับว่า เราาเป็นสูนเป็นศูนย์รวมศูนกลางแมันปิดตัไม่สามารถเป็นได้แล้วนในความรู้สึก ข, ของหนูหนูเข้าใจคะ่ะพระอาจารย์เอ่อเรากาม็มันไม่ช่วยนะก็คือมันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องมาเหมือนมาขัดแย้งว่าเราอ่ะจะต้องต้องได้ช่วยอ่ะคะ่ะพระอาจารย์เหมือนที่อาจารย์บอกอะ่ะเข้าใจค่ะว่าเออเราช่วยได้เท่าที่เราช่วยคะ่ะแต่ทีนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่า เราอาจจะทําให้เขาคุยตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์มันก็ต้องได้ทําตลอดไม่ว่าจะเป็นในในเรื่องในเรื่องของงานหรือว่าในเรื่องของการที่จะช่วยคนในครอบครัวก็เหมือนกั น, นะคะ่ะพระอาจารย์เราถือว่าเป็นเราถือ่าเป็นนี่เข า, าแล้วกันถ้าอย่างนั้นก็เชื่อเราเป็นลูกนี่เขาต้องไปหนูใช้นี่ให้เขาไปกันแล้วกันห <c oughs> นูก็คิดอย่างเงี้ยแหละคะ่ะพระอาจารย์หนูบอกว่า โอ้ยอสจะใช้กำลังสาวเนี่ยนะครับจะใช้นี่ไปก็แล้วกันทําะไรก็ได้ ย, ยัเราอย่าไปทุกข์กมันก็แล้วกันถ้า<ต> <ไง S 2> ช่วยเราก็ช่วยไป<ช>ก็อย่ า, ยายไปทุกกับมันถ้าไม่ช่วยก็ไม่ก็ไม่ต้องทุกกับมันค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ช่วยเราก็มีเหตุผลอของเราช่วยแล้วก็มีเหตุผลของเราก็ทําไป น, นูก็จะบอกอย่าให้เราทุกกับการกระทําของเราก็แล้วกันค่ะพระอาจารย์ อ๋อก็จริงๆค่ะเพราะว่าหนูก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะทําไปเนี่ยถ้าเราทําไปแล้วเนี่ยถ้าเราทุกเนี่ยหนูก็บอกว่าหนูจะไม่ทําอย่าอย่าทําให้ตัวเองจนจนขาดความสุขนะตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะคะพระอาจารย์ใช่ขาดทําไปด้วยเราก็ต้องสุขไปด้วยแต่คือเราก็ต้องยอมรับผลของมันว่าเออมันมีได้มันมีเสียหนูคิดอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ก็โอเคก็ไม่เป็นไรแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องเหมือนกับว่า ต้องดึงใจเราไว้อะค่ะพระอาจารย์ดึงใจเราไว้ให้มากที่สุดแต่บางทีเนี่ยมันก็เห็นเห็นกิเลสของตัวเองว่าเอ้าเรายังมีความอยากอยู่หรออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความอยากของเราหรือว่าเป็นความอยากของเขาเราก็มานั่งคิดนะคะก็ามานั่งไตรตรองอะไรหลายๆอย่างก็เลยว่าเอาล่ะในเมื่อเหมือนที่พระอาจารย์ได้ได้ได้บอกมานะคะว่า ถ้าชดใช้กันไปถ้าชดใช้กันแล้วให้หมดก็คือให้หมดไปถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องทำค่ะพระอาจารย์เพราะว่าในหลายคนก็คือเหมือนกับว่ายังยังเหมือนว่าเรายังมีความหวังกับเราอะคะ่ะพระอาจารย์เราก็เลยต้องโอเคยังไงก็ตามเราก็ต้องทําหน้าที่นี้ต่อไปนะคะโอเคว่าเป็นการทํบทาบุญทำทานไปแล้วกันท่านก็จะไม่ได้มีความสุข อ๋อค่ะพระอาจารย์ก็ไม่อยากจะเป็นเสียงอะไรมากเพราะว่าบางทีเนี่ยไปยุ่ขัดแย้งมากก็ไม่ได้ก็จะกลายเป็นบาปอีกยิ่งกับคนแก่ก็ยิ่งจะไม่เอาเลยครับรอาจารย์หนูก็ฟังแล้วก็อ่ะนิ่งๆแต่ถ้าในครอบครัวก็จะทะเลาะกันเปล่าๆนะคะรับพระอาจารย์ก็ต้องทำหน้าทีา่ก็ต้องทําหน้าที่ต่อไปใช่ไหมครับพระอาจารย์ ก็ควอย่างนั้นนะมั้งทำได้แต่ว่าหนูก็ต้องคิดว่าหนูจะไม่ทําให้ตัวเองจนขาดความสุขเครับให้อาจารย์ขอให้ทำก็มีความสุขเพราะว่าถ้าเราอยู่ที่มุมมองของเราว่าเราทําเพื่ออะไรค่ะพระอาจารย์หนูคิดถูกอยู่ใช่ไหมคะหนูก็ต้องแล้วก็คิดว่าทำเพื่อสร้างบุญบารมีก็ทําไปอ๋อค่ะพระอาจารย์ถ้างั้นหนูก็คิดว่าหนูคิดถูกต้องอยู่นะครับอาจารย์ค่ะหนูก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะพระอาจารย์แล้วก็ ยังอ่าบําเพ็ญที่จะทําในเรื่องของอนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ภาวนาอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็ต้องทําต่อไปนะคะใช่งานหนักของเราก็ทิไม่ได้ น, นั่นเป็นงานเสริมงานช่วยเหลืคนอื่นเป็นงานเสริมค่ะพระอาจารย์ก็ต้องทําหน้าที่ต่อไปนะคะพระอาจารย์ค่ะค่ะพระอาจารย์ไปช่วยคนอื่นแล้วเราแย่ราก็ถ้ า, าแล้วเราเราเราคิดมาทําผิดนะเราต้องอย่ายแย่ลงจากการที่เราไปช่วยเหลือคนอื่น ขาวพระอาจารย์ก็ต้องรักษาใจของตัวเองต่อไปใช่ไหมคะค่ะข่าวพระอาจารย์ค่ะสาธุพระอาจารย์ค่ะข่าวพระอาจารย์ไม่มีคําถามแล้วค่ะก็อยากจะทําปเองครับอาจารย์ทำไปเรื่อยๆนะข่าวสาธุข่าวพระอาจารย์ขอให้พระขันพระอาจารย์แรงๆค่ะก็เป็นการสร้างบารมีก็เลยทานบารมีเมตตาบารมีไปค่ะพระอาจารย์ค่ะสาธุข่าวพระอาจารย์ก่าวสาธุข่าพระอาจารย์ คุณดิสาตดสาดจากลอสแอนเจลิสฝนตกเย<า>อะไหมทางตดนเยอะโดนเยอะอ๋ตอตะตรพระอาจารย์ได้ยินไหมคะกับอุสการค่ะอ๋อตอนตอ น, ตอนหลังการที่คุยกับพระอาจารย์พระอาจารย์ถามเรื่องฝนตกแต่ก็ไม่ได้รู้เลยไม่ได้ดูข่าวเลยคะ่พะพอดีไปดูอ๋อมันมีไซโคลนบอมคงโดนตรงช่วงห้องตอนบนนะคะแถวซานตาคลูส ใช่ค่ะซานฟรานซิ ส, สโกซานดิครูสแล้วก็ซานโคเซใช่ค่ะแล้วก็อาจจะใกล้เฟสโนโที่พิพิธจารช่วย อ, อยู่อ่าเออพอเลยทําให้ตอนนี้รู้สึกจะซับไพ่มันช็อกอะค่ะคือไข่ไก่อะไรเงี้ยน่าจะแพงมากเราะตัวเงินได้แล้วสงสัยค่ะแล้วก็เส้นทางขาดคะคก็เลยคงจะการน ข, าขนส่งแต่ว่า ค่ะ LA, LA ยังไม่ไม่โดนแต่ว่าเห็นเมื่อวานดูข่าวดิดหนึ่งมีที่ยูเนียนสเตชันก็น้ำเต็มเลยค่ะต้อง mm hmm. แต่ว่าแถวบ้านไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาอะไรค่ะพอาจารย์ mm hmm. ค่ะก็วันนี้ก็มีคำถามนิดหน่อยอะค่ะพอาจารย์แต่ว่าคิดว่าน่าจะแบบเกิดจากโดยมคงไม่มีแบบไม่มีสตินะค ะ, ค, ะคือต้องต้องเพิ่มสติมากขึ้นนะคะคือเวลาตอนนี้เวลานั่งสมาธิแล้ว คือคือตอนนี้ยมกลับมาใช้แบบอนาปนาสคือดูลมหายใจอะคะ่ะก็ตอนแรกก็จะสวดอีจิปิโซสักนิดหนึ่งแล้วก็เพื่อให้แบบมันจิตสงบแล้วก็เริ่มเริ่มดูลมหายใจแต่บางครั้งเนี่ยก็จะใช้พุโทโธบ้างเพราะรู้สึกว่าบางทีมันมีกิเลสมันมันเราคิดมีความคิดฟุ้งซ่านพอสมควรแล้วแต่วันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอเริ่มดูลมหายใจแล้วแบบเริ่มสงบ พอเริ่มสงบแล้วทีนี้มีความรู้สึกว่าเออสงบแล้วแต่ว่าพอมันเหมือนมันเหมือนจะมันเหมือนมันจะมีแบบความคิดแทรกขึ้นมาค่ะว่าแบบเราจะลุ้นอนะว่าแบบเฮ้ยเราจะเจอแบบเราจะเจอสิ่งที่เราเคยเจอไหมอะไม่ถึงแบบจิตจะรวมไห ม, ไมยอย่าไปอย่าไปเนี่ยนะความมันเลยแบบกรรมาูลมกรรมดูลมอย่างเดียว กลับมาดูที่ลมหรือว่าควรจะไปพุโทโธดีอะค่ะพระอาจารย์พุโทโธก็ได้ลมก็ได้ได้แต่ อ, อเนี่ยมันเลยเป็นปัญหาของของโยมตอนเนี้ยค่ะก็ต้องแก้ปัญหาความคิดก่อนอย่าให้มันคิดออถ้าดูลมมันยังคิดอยู่ก็ต้องกลับมาใช้พุโทโธหยุดคิดก่อนเอามันหยุดคิดแล้วกลับมาดูลมต่อมาได้ค่ะพระอาจารย์บางทีโยมก็ลุกขึ้นมาเดินเดินเดินจองกรมเลยรู้สึกว่าแบบรู้สึกสติเราจะหายไปก็เลยแบบเอบอมันแทงคิด ใช่ค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบเอ๊พุทโธพุทมามาเดินจงกลมเพื่อให้ให้แบบสติแนบระพุทโธใช่ค่ะพระอาจารย์ก็พอจะช่วยได้ใช่ไหมคะได้เนี่ยมันจิตมันชอบไปลุ้นอ่ะคือแบบมันจะหาจุดนั้นอ่ะมันก็เราต้องใช้พุทโธหยุดมันถ้ามันไปลุ้นเราก็พุทโธพุทธโถพระอาจารย์แสดงว่าเราแบบจิตเราไม่เราเราเรายังไม่นิ่งคอเรายังมีความคุ้นซ่านอยู่เราไปลุ้นไงคือเราไม่ได้คิดเรื่อง ค่ะคือสงสัยจะเป็นกิเลสเรื่องความอยากที่เราอยากจะไปเจอ<ม>ภาวะแบบนั้น<ม>ที่เราเคยรู้สึกว่ามันเออเราสงบมากๆ<ม>แล้วเรามีความสุขตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ตรงนี้แก้ไม่ได้เลยคะ่ะพระอาจารย์หรือว<ะ>่า<ะ>เราใช้พุทโธพุโธค่ะพระอาจารย์เ อ, อ่อแล้วก็มีอัน น, อนึ่งอ๋อตอนนี้ตอนนี้โยมแบบลองลองไม่ลองงดกาแฟาสองวันต่ออาทิตย์แต่ว่ามันมันง่วงค่ะพระอาจารย์สงสัยกิเลส ไม่กี่วันมันสู้อ่ะแต่ไม่กี่วันมันก็หายพอมันเช็ดแล้วมันก็ไม่ง่วงใช่พ่ะอาจารย์แล้วแล้วกิเลสมันมีการสู้ด้วยนะกิเลสซ้อนกิเลสด้วยนะบอกว่าเนี่ยมันง่วงพอมันง่วงเนี่ยทําให้เรานั่งสมาธิแล้วมันง่วงใช่ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ๊ะแหมมันกิเลสนี่มันจริงๆเลยนะ รู้สึกว่ามันมันจะซ้อนไปซ้อนมาเหลือเกินเลยมันพยายามจะหลอกให้เรากลับไปใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วมันมันว่วงจริงๆอ่ะว่วก็นอนให้ไดแต่ไม่แต่บอกคุณคุณนอนให้มึงแต่กูไม่ดื่มให้มึงแล้วตามไปนี่ยามั่นว่วงตอนนี่ยาหยุดสมาธิไปชั่วคขาวไหวก็ได้แต่ก็ยังจะยึดว่าจะไม่จะจะไม่ยอมมันเนี่ยจะจะจะสู้กับมันจะเร่กมันให้ดูดขาดไปเลยเดี๋ยวสังกัดเทศนึงมันก็หายแล้วมันมัน ต้าภาคหนึ่งมันก็หายติดนะมันก็ไม่มีปัญหามันก็กลับมาเป็นปกติค่ะอาจารย์ตอนนี้มันชอบอ้างสมาธิอ่ำก็ไม่เอมไม่ได้มาทำสมาธิแล้วช่นอนทุกอย่างอ้างตลอดเลยอะไรก็ใจตั้งเรื่องว่าพอดีแล้วก็มองในทางหลบถึงโมพอดีเมื่อก่อนที่นอนไม่ค่อยหลับเดี๋ยวนี้จะไดนอนหลับง่ายใช่ค่ะว่ามันเป็นประโยชน์ขึ้นมาให้เป็นเด็กก็พายก็ดีทั้นจะไดนอนหลับง่ายนอนหลับสบายค่ะอาจารย์ ก็ไม่มีไม่มีอะไรค่ะอ๋อมีอีกนิดนึงค่ะแต่วไม่รู้ว่าคือตอนฟังพระอาจารย์พูดครั้งตอนหนึ่งที่เทปธรรมะบนเขาอะไรเนี้ยค่ะแล้วพระอาจารย์บอกว่าเออถ้ามีปัญญาปัญญาที่แท้ถ้าเกิดไม่ใช่ปัญญาแท้มันก็จะเป็นสัญญามันหมายความว่ายังไงอ่ะคือถ้าเป็นปัญญาแท้มันจะไม่ดืมืพอถึงเวลาจะใช้มันก็ใช้ได้อันแต่ถ้าเป็นสัญญามันดื้อเหมือนหายไปเลยเวลาเกิดอ้อ เวลาจะใช้นิ้ไม่ออกไหมอ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็ <ST> S> <S ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ปัญญามันต้องมันต้องฝังอยู่ในใจไม่หายอ๋อค่ะค่ะอ๋อถ้าเป็นสัญญามันจะลืมถ้าเป็นปัญญานี้ยังไงเราก็จะคือถ้าเรามีปัญญาแล้วยังไงมันก็จะตัดกิเลสได้ทั น, นทีทันทีเลยเวลาต้องการใช้เรามาใช้ได้ทันทีมาว่าเป็นทุกเรื่องนิจการเป็นหน้าตาอมาทันทีอ๋อค่ะอ๋อค่ะค่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์ โอเคนะทําค่ะคค่ะค่ะกลับนมัสการกลับนะคะแล้วพยายามค่ะจะพยายามค่ะแล้วก็แล้วก็ประหยัดด้วยค่ะอาจารย์ไม่ต้องเสียเงินไม่น้องเสียเงินต้องไม่ต้องไปคอยซื้อมาดึงคอยต้มน้ําต้มอะไรน้ำท่วอะไรไม่แล้วแต่มันก็มีกิเลสซ้อนเข้ามาอีกนะคะอาจารย์บอกว่าอ้าวแล้วเครื่องที่เราซื้อมาล่ะ จะทำยังไงทำการสิได้ีใช่ใช่ใชแล้วแล้วเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวเราก็ไปให้ใครก็ได้แต่ว่าส่วนเน้ซูไม่ค่อยได้ครับเดี๋ยวจะต้องพยายามค่ะาโอเคค่ะกลับเนื้อมาสเตจังครับพย์ไปที่แมริแลนด์ต่อซลยอซเวรสนสนุกดีค่ะฟังพี่ยก วันนี้ยมก็ ม, มีไม่มีคําถาม น, นะค ะ, ะพระอาจารย์แต่ยมก็สู้กับกิเลสเช่นกันค่ะพระอาจารย์รอย่างที่กับยังอยู่ข้างๆโตอยู่รู้สึกผิดวันละกี่ช่วยแนละ้วันละกีช่วยยมไม่กล้าดื่มต่อหน้าพี่ค่ะก็ของอที่กราบเรียนพระอาจารย์นะคะว่าที่ที่แล้ว ย, ยมเ อ, อกําลังซ่อมบ้านอยู่แล้วโยมก็พยายามที่จะไม่ พยายามที่จะยอมหยุดเย็นนะคะก็อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีก็มีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจอีกเหมือนกันนะคะแล้วโยงก็คิดว่าเอาละถ้าสมมติว่าพี่คนนี้เขาไม่อยากจะมาทำงานต่อเราต้องทำใจแล้วถ้าเขาจะทิ้งงานหรือว่าไม่อยากจะทำเราก็ต้องปล่อยต้องวางเพราะคิดว่าพอพอจะคิดว่าเออเดี๋ยวสุดท้ายก็ตายหมด เราไม่ควรจะไปโกรธหรือว่าจะไปเอาเรื่องอะไรยังไงกับเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็มันไม่คุ้มกับการที่เขาไม่พอใจเราเราไม่พอใจเขาแล้วมันก็แล้วมันก็ ว, นกวางไปเอง่ะค่ะพอาจารย์แล้วสุดท้ายเขาก็เขียนมาขอโทษยมเองว่าเขาพูดจามไม่ดีกับเราเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหการการยอมหยุดเดย็นจริงๆแล้วมันตอนแรกเราคึดว่าเขาจะจะถูกเอาเปรียบตลอดเวลาแต่จริงก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะคะก็ดีขึ้นนะคะพะอาจารย์ถ้าเราเปรียบก็คิดว่าเป็นการทำบุญทาทานไปแล้วค่น การเสียเปลียนนี่เป็นการเป็นการทําบุญทําทานไปแล้วเราจะมีความสุขจากการถูกเขาเอาร่าเริบเปลี่ยนลงค่ะก็หลังจากที่คิดอย่างนั้นนะคะประมาณสองอาทิตย์ตอนแรกก็กังวลเอกลัวว่างานไม่เสร็จไม่ทันเวลาแต่อย่างที่กราบเรียนพระอาจารย์ค่ะพอมันนั่งคิดว่าช่างมันปล่อยมันปล่อยวางซะเถอะมันไม่มีประโยชน์ที่จะมานั่งเสียใจกุ้มใจ ถ้าเกิดเขาไม่ทําเราก็หาช่างใหม่ก็แค่นั้นเองก็จบแล้วมันก็เลยมันก็วางได้ค่ะมันก็มันก็ดีขึ้นนะคะพระจารย์แล้วยอมค่ะพระอาจารย์แล้วโยมก็เลยมาคิดว่าจะเจริญสติให้มันแข็งแรงกว่าเดิมพอรู้สึกว่าเราวางได้ก็จริงแต่ว่ามันยังวางได้ไม่ทันท่วงทีอะค่ะเหมือนเหมือนยังต้องใช้เวลาวันหนึ่งกว่าที่จะทําใจแล้วกว่าจะวางได้ก็เลยมาเจริญสติอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะรู้สึกดีขึ้นค่ะพระจางรู้สึกว่ามัน มันอยู่กับเนื้อกับตัวนอ่มันอยู่กับตัวป่อยวันได้ง่ายขึ้นมันอยู่กับเนื้อกับตัวได้เร็วขึ้นมันระลึกรู้ในแต่ละวันได้อย่างแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะนั่งสมาธิเช้าเย็นเออ่แล้วก็เจริญสติบ้างแต่พอเวลาเข้าทํางานปุ๊บมันลืมตลอดระหว่างวันคราวนี้เมื่ออาทิตที่ผ่านมาโยมก็เลยคิดว่าไม่ได้เราโยมใช้เวลาเป็นวันในการวางเนี่ยมันช้าไปพอเจริญสติได้เนี่ยมันแต่ละวันมันเร็วขึ้นเยอะ แล้วมันไม่ใช่แค่รู้เนือ้อรู้ตัวเร็วขึ้นมันมันกลายเป็นว่าเวลาที่เราคุยกับใครหรือรับฟังเรื่องอะไรเนี่ยมันประโยคสั้นๆแต่เราละเอียดในความรู้สึกของเราเรารู้สึกว่าเราเข้าใจเข้าใจรายละเอียดเข้าใจที่มาที่ไปแล้วไม่ใช่แค่เข้าใจว่าเขาพูดพูดต้องการจะสื่อสารอะไรกับเราเราเข้าใจถึงออลักษณะว่าสิ่งที่เขาสื่อสารมาจะกระทบกับเราแล้วเราต้องแก้ไขเราต้องป้องกันอะไรยังไงคือมัอนมันไวขึ้น มากเลยค่ะพาาระอาจารย์มากจนจนโยงรู้สึกเอกจาก่นี่เรานี่มันไวขนาดนี้เลยเหรอก็เลยคิดว่าจะาเจริญสติเหมือนก่อนหน้านี้เราจะคิดไปทางปัญญาบ้างแต่อาจจะเป็นเพราะว่าสติเรามันยังไม่เท่าทันอุเบขาการคิดทางปัญญามันก็อาจจะไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่อะค่ะก็เลยว่าจะกลับมาต่อสายอุเบขาก่อนเต่อสายสมาธิก่อนออนอกปัญญาถึยจะไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าพระอาจารย์ยงก็เลยคิดว่าเอาใหม่กลับมาใหม่เอากลับมาสติใหม่เอาให้มันเอาให้มันแน่นกว่านี้ให้มันจะได้อุเบกขามันจะได้คืออุเบกขากับสติจะได้ทําพร้อมกันเอาให้แน่นกว่านี้ก่อนนะคะพระอาจารย์อืมแบบค่ะแต่ที่ที่ยงก็รู้สึกดีะคะ่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าเราไม่โกรธเรามีเหตุผลขึ้นแล้วเราก็แล้วเราก็รู้สึกว่า เราให้อภัยเรามีเมตตาเราเรามาทุกทาง น, นะคะอาาเรายอมหยุดเย็นได้แล้วมันยอมเองเลยนะคะอาจารย์แบบมันไม่ต้องมันไม่ต้องคิดมันไม่ต้องคิดว่าเออเดี๋ยวห้านาทีแล้วเขาเจะมายอมมันยอมณวณณเวลานั้นเลยอืมแล้วหลังจากนั้นก็มานั่งพิจารณาว่าอ๋อไอ้ที่เราทําไปเออมันเรายอมจริงๆนี่นาแล้วมันแล้วมันก็ได้ผลเพียงแต่มันยังหยุดไม่ได้เต็มที่เท่านั้นเองนะคะอาจารย์ มันงไม่เล้ทันที่ทําใดเนี่ยบายังต้องใช้เวลาสู้กับวัฏพันธ์อย่างต้องสู้แต่พอมองย้อนกลับไปเราเห็นกิเลสเลยว่าอ๋อตรงนี้เราทําผิดเราทําผิดเราต้องแก้ตรงนี้เราควรจะทำอย่างนี้แล้วใครที่ไหนรอบๆข้างเขาจะพูดอะไรยังไงเราต้องปล่อยเราต้องดูที่เราเท่านั้นนะคะถูกต้อตงเริ่มเข้า ม, มาดูที่เหตุเหตุคือใจของเราใจของเราเป็นต้นอยอเหตุ ความอยากของเราอยู่ในใจของเรามันจะอยู่ที่คนนั้ใช่ไหใช่ค่ะพระอาจารย์แต่มันยังอยู่ในโลกของความยังอยู่ในโลกอะค่ะพระอาจารย์มันเลยทำให้โยมรู้สึกว่ามันยากมากในการที่จะปฏิบัติธรรมอย่างลึกซึ้งโดยที่ยังต้องเกี่ยวพันกับกิเลสของคนทางโลกแม้ว่าเรานั่งสมาธิแล้วเราจะเริ่มมองเห็นกิเลสตัวเองเริ่มมองเห็นกิเลสคนรอบข้าง แต่ด้วยความที่มันเป็นไปในโลกนี่มันยังต้องมันยังต้องอยู่ทางโลกอยู่มันยากมากเลยครั อ, อาจารย์ก็อย่าไปดูดซึมมันเข้ามาในใจเราให้รูเ้เฉยๆแต่ว่าโลาอย่าไปแบกโลกนู้นโลกนู้นทันโลกแต่อย่าไปแบกโลกเร<ข>าะว่าเขาเป็นอย่างนี้แหละรู้ว่าเป็นโลกของความโลภโกรธโลกเป็นโล ก, น อ, ก, น อ, กนอ น, นิจจังทุกขันัตตจะได้ไม่ไหวังอะไรจากโลกนี้ที่เราทุกข์เพราะไม่หวังอะไรจากโลกดี แล้วในใจลึกๆมันก็ยังมีความหลุดกาบความรู้ความคิดว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็คือใตรักแล้วสุดท้ายทุกคนก็ตายหมดแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรสิ่งที่เรามาเกิดมาก็ต้องสะสมบุญบารมีสร้างความดีต่อไปเรื่อยๆเพราะมันคิดจริงๆเราก็ไม่อยากทำงานกับว่าเดี๋ยวไปรวชีได้นะไปบวชีได้อาจารยังต้องมันยังมีการคิดบ่อยๆแต่คิดบ่อยๆมันต้องคิดบ่อยๆนี่เพียงแต่เริ่มคิดแล้วเริ่มจุดประกายขึ้นมานะ เดี๋พอคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆ <c oughs> ให้กูไม่รู้อยู่ที่นี่ทำอะไรทำไปทำไมใช่ค่ะพระอาจารย์มันก็มันก็เป็นจริงมันก็มีแวบๆเข้ามาเอต่แไปมันจะคิดบ่อยขึ้นต่อไปมันจะคิดบ่อยขึ้ น, นบ่อยขึ้นค่ะ <c oughs> แ, แต่เราก็ไม่ <c oughs> มันก็บอกไม่รู้จะอยู่ไปทำไมทำไปแค่นี้ทำไปแล <c oughs> ้วแล้วทิ้ไม่หมดอยู่ดีตายไปก็ ไ, ไปไม่ได้ไม่แต่ชิ้นเดียวใช่ค่ะก็ประโยคนี้และค่ะพระอาจารย์ที่บอกว่า ตายไปมันมันเอาอะไรไปไม่ได้เลยกิ๊เดียวก็เอาไปไม่ได้ลักแค่ไหนก็เอาไปไม่ได้ไอ้ที่ติดตัวเราไปเด็ดทั้งนั้นทำไมเราไม่จัดการกับกิเลสนะปัจจุบันนี้เมื่อมันคิดมากขึ้นมาละเอียดความคิดตัวเองเดี๋ยวมันก็เตรียมตัวเองเตรียมตัวไปเตรียมคันาเตรียมเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเตรียมเตรียมตีตัวเตรียมอะไรต่อไป ยังแอบห่วงคนรอบข้างอยู่นะคะทั้งๆที่ก็ทราบว่าห่วงไปก็เท่านั้นมันถึงเวลางจริงแล้วก็ต้องตัวใครตัวมันเราก็ยังอยากอยากจะพาลูกอยากจะพาครอบครัวพาพี่น้องให้เข้าทางธรรมอะค่ะพระเจ้าไม่ต้องพาเราเราก็เข้าใจเราไปก่อนเดี๋ยวก็ตามมาเองพาเขาไปไม่ง่ายนะแต่ถ้าเราไปแล้วเดี๋ยวก็ตามมาเองหรือว่าพระเจ้าพระเจ้าไปก่อนนี้ต่อไปก็ตามไปหมดเลยอยากพี่น้องแม่เนี่ยลูกตามไปหมดเลย เขาตา้งเราไปเองไม่ต้องกลัวเรเขาเห็นว่าเขาเห็นว่าเราเราทำเราเราได้ดีได้ดีเขาก็อยากจะได้ดีได้ดีเหมือนกับค่ะค่ะก็ยังคงต้องทำต่อไปค่ะยังรู้สึกว่ามันยังมีอีกไกลแต่ว่าเราจะไม่ยอ่อท้อค่ะอาจารย์โอเค<ำ>อ่ากลับคุณาระจนะคะสาธุเจบเมื่อกี้จีบ ก, ก็มาหายไปแล้วจีฟก็ฝากอะไรไว้หรือเ่าวันนี้อม จิ๊บเขาฝากกรับพระอาจารย์ทุกวัทิ้ลเลยค่ะแต่ว่า <yan. S 1> เ, เหมือนกับว่าเขาบอกตรง ว, ว่าช่วงนี้เขาเขาต้องเข้าประชุมต้องทำงานที่ออฟฟิศ ท, ทุกวันเมื่อกี้ช่วงแรกๆเห็นเขา้าโผลกเข้ามาอยู่แต่ยังไม่ถึงคิวเขา้าเลยไม่ได้พูดค่ะค่ะค่ะ ง, งั้นก็กรับฝากฝากกรับพระอาจารย์แทนจิ๊บเลยนะคะนะคะพรน ะ, ะอาจารย์โอเคนครับคุณหมอวีอยากพิชเอร์กถ้ากับแล้วจะแก่ใจยังไง ก็ยังยังพยายามตั้งใจรอดายอยู่ครับผมอาจารย์เมื่อเช้ า, ชาลองนั่งสมาธิแล้วก็ลองนับลองนับเลขมันไม่รวมก็เลยลองนับเลขไปเรื่อยครับอาจารย์ก็แต่นับเลขที่มันนับได้นับแต่ว่ามันก็มันก็จะไม่ได้จิตรวมใช่ไหมครับอาจารย์ยังมันต้องดูลองน้ำเพลงมันถึงจะรวมครับแต่ถ้ายังยังดูรวมไม่ได้ก็ต้องนับดูพุทธดูท่องท่องอะไรไปก่อนสวดมนต์ไปก่อน เมื่อเช้าเราเอการสาดูบ้างกันหน่อยมันใช้อ๋อให้ลองเห็าโมใช่ไครับอาจารย์ต้อง้งดูอาการสามสิองไปของศรนั่งันน้เนื้อเอ็นกดูกจะได้ประโยชน์มากกว่การนับสิขาได้ปัญญาไม่ได้ในตัวเมื่อเช้าลองลองจาลองนับดูว่าชั่วโมงนี้ได้กี่กี่ลมกี่พุตโตครับก็เลยก็เลยลองนั่งนับดูก็ได้หกร้อยกว่าครับอาจารย์ อันนี้แค่ทดลองครับอาจารย์เดี๋ยวลกลั บ, บอย่าได้ำเลยเดี๋ยวมันจะติดสถิติเขออ้าถ้าผมอาจารย์ครับถ้าจะถ้าจะนับชูนั อ, อ า, าการ32ห น, นึ่งเอาแค่32อาการหายเก่อ64ย้อนกลับแล้วโม่ท้องได้ยังครับอาจารย์ได้แล้วเนี๋ยวันนี้ก็มาเข้าไปฝัน โอโหจาเป็นการจัดที่เขาบ้างได้สองคนเด็กสองคนด็ความจําก็ดีกับผู้ใหญ่ความจำดีเดี๋ยวเดี๋ยว้องไปหับท่องไปหน้ากันนะครับแต่แต่ไปหน้าบาลีผมท่องได้อยู่ครับอาจารย์เอาภาษาไทยดีแบบว่าะมันเราจะได้เข้าใจนอกจากถ้าเราเข้าใจบาลีก็โอเคมันเราทําชื่อมันเป็นมาบาล์มันคือต้องการต้องการเห็นตัวมันด้วยไม่ใช่ะอาแต่ชื่ออย่างเดียวคืม ในระหว่างที่ท้องก็นึกชื่อนึกอวัยวะตามไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์ก็ได้ถ้าถ้ายังนึกไม่ได้ก็เอชื่อไปก่อนแล้วต่อไปพอจาชื่อได้แล้วก็จะค่อยนึกภาพของอวัยวะตามไปด้วยก็ได้ครับอาจารย์ครับพิจารณาไปเลยนะครับอาจารย์เออพิจารณาไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวจตลองไป แล้วพอรู้สึกว่าจิตมันมันไม่ฟุ้งแล้วก็ลองหยุดแล้วก็ดูลงต่อเพ่งหรือดูเรือแพ่งอาการใดอาการหนึ่งก็ได้ของอาการสารยสองเชนค้งกระดูกก็ได้ครับอาจารย์เวลาเพ่งโครงกระดูกนี่คือเพ่งไปทั้งตัวให้เห็นเรามันกระดูกหรือว่าเพ็งจุดๆเลยเป็นภาพโค้งก ร, ระดูกอยู่ในมโนภาพหังนะนึกถึงโครงกระดกูกในมโนภาพหลับตาแล้วก็นึกถึงโค้งกระดูก เป็นของกระดูกของเราที่นั่งอยู่อย่างนี้นะใช่ไหมครับไม่ของของใครก็ได้ของเราก็ได้ด้วยของกระดูกยือนอยู่เป็นต่อหน้าเราก็ได้อ๋อให้มองเป็นว่าของกระดูกยือนอยู่ต่อหน้าเราเอ่ะง่ายกว่าของกระดูกยือนอยืนแล้ว เ, เอาไว้วัดต่างๆสามสิบสองก็เหมือนเหมือนกัเราดูดูภาพบนจออย่างนี้นครับอาจารย์คอ๋อดูภาพของร่นางกายนะต่อมีเหมือ น, นมากบนบนจอครับ ที่เคยทำคือจะมองแล้วบดกานณ์เด็กของตัวเองเข้าไปเรื่อยๆครับอาจารย์าจาเรามาดูคุณภาพครับเดี๋ยวจะลองไปปฏิบัติแนวนี้ทุกบ้านครับทดองไปเรื่อยๆโอเคอาจารย์ครับคิดว่าดีนับแต่นับแล้วมันไม่ค่อยได้เหยครับเท่ากับการดูวัยวะต่างๆไปเลยนี่ครับ จริงๆไม่เคยนับไปครับอาจารย์เพิ่งมาลองว่าเช้าลองก็ลองนับพซชั่นวงมันจะได้กี่ครั้งแต่มันก็ไม่แี่มันก็ไม่แน่ใไม่แน่ครับไม่แนไม่ฟุ้งเลยอาจารย์ครับอาจารย์ที่ประชัยการิอตสา์อาจารย์ขอบคุณครับไปเท็กซัสต่อเป็นสุภั กลับ ม, มาสักการะอาเจ้าค่ะไม่ไม่มากเจ้าค่ะแต่ว่าลูกไม่ได้เปิดทิเตอร์ก็เลยยังยังอุ่น<จ> อ, อุ่นนิดนึงเจ้าใช้ใช้ธรรมะโอษฐ์มาน่งเสียงกันไม่น่าเสียงค่าไฟเจ้าเจ้าค่ะวันนี้ลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะขอร่วมฟังเจ้าค่ะโอเคค<ต>ุนพ่ค<ช>ุณพ่อไม่มีคําถามเลยเงียบไปเลย ไม่มีจะไม่มีจะคือส่วนเขาเขาเขาเขาอ่านเจ้าค่ะวันนั้นได้คุยกันเขาบอกว่าพ่อถนัดฟังเท่กับอ่านแต่พ่อยังไม่ถนัดปฏิบัติเจ้าค่ะคุณพ่อเขาบอกแบบเนี้เจ้าค่ะลูกก็เลยก็อยาก็ก็คิดว่าก็ก็ดีเจ้าค่ะก็เป็นเป็นไปตามขั้นตอนท่านก็แลังกันดาคนก็ไม่เหมือนกันเจ้าค่ะเขาบอกเขายังนั่งเขาบอกเขานั่งไม่ได้เขาปฏิบัติไม่เขาเขา ปิบัติพวกนั่งไม่ได้เจ้าค่ะเขาเขาฟังนะคะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ก็ดีใจกับเขาที่เขาแบบอ่านแล้วก็ฟังเทศแล้วเจ้าค่ะแต่เขาก็เข้มข้นในการศึกษาเรื่องเรื่องฟังเทศกับอ่านเนี่ยเจ้าค่ะเขาศึกษาหนักพอควรเจ้าค่ะเพียงแต่ปฏิบัติเป็นรูปแบบท่านยังท่านยังไม่ถนัดเจ้าค่ะเจ้าค่ะ เออค่ะคุณพระธารพงศ์คุณพระธารพงศ์อาจารย์พระธารพงศ์เชิญกลับน้ำมาสการค่ะพระอาจารย์เก่งมากมามีอะไรบ้างเออมีเรื่องจะสอนวัดอย่างนี้ครับคือ no ว่าออย่างขณะที่แล้วเนี่ยได้คุยกับพระอาจารย์แล้วเราพูดถึงว่าให้ไปพิจารณาการสาสิบสองเนี่ยครับก็คือพอเอาไปพิจารณาเนี่ยเรา เราไปพิจารณาเราเห็นเราดูภาพเราพูดชื่อเนี่ยแต่เราเห็นแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกคือไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันมันน่าเกลียดน่ากลัวอะไรหรือเราก็เหมือนกับเห็นแล้วเราก็รู้สึกเฉยเฉอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นการที่เพราะเราปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือว่าเราเราเราไ ม, ไ<ค>ไมไ่เห็นภาพที่มันน่ากลัวเราไปดูตอนที่เขาทันสุดสมนักศึกษาดูภาพจริงไม่ใช่แต่ภาพว่า สภาพจริมันไม่เหมือนกั น, นคือคือบางทีผมก็คือเปิดวิดีโอที่เขาเป็นวิดีโอที่เขาไปเป็นแบ่งอสุภะเป็นเป็นสิบประเภทเนี้ยครับก็คือเห็นแล้วก็ ก, ก็ก็โอเคเราก็เข้าใจแหละว่าว่ามันคือวาระสุดท้ายของเราวาระสุดท้ายที่มันจะมีสภาพอย่างนั้นแต่เราเห็นเราก็ ก, ก็ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวแต่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าแบบเออเราเราไม่ เราแบบเราไม่คิดว่าเราจะเป็นแบบนั้นหรือะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นแล้วมันก็แบบเฉยๆอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ใจว่าเราปฏิบัติผิดหรือว่าเราเราต้องเห็นแล้วเราต้องมีความคิดยังไงหรือเปล่าครับหรือว่าการแล้วแต่ <ๆ S 2> เร า, ถ, า, เราถ้าเราเฉยๆได้ก็ดีเฉยๆได้กั็ดีบางคนเห็นแล้วก็เป็นลงก็มีแล้วจิกตก็ยังอ่อนอย่างไม่ไม่แข็งพอยังอุเบกขาอย่างมีถ้าอุเบกขามากๆมันก็จะเฉย แสดว่ามันจะได้ความรู้ว่าอ๋อเนี่ยร่างกายมันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดกันนะนั่นเองเรองการที่จะทําลายภาพที่เราเวลามองเห็นสาวๆปิดต ong ปิดตี้อนะไรจะได้อ๋ อ, อ, อมันก็เป็นแค่แล้วนึถึงตอนที่เขาต้องม า, นานเป็นรบสร้างศพเดี๋ยวมันก็แค่นั้นแหละมันก็ตอนนี้ก็เป็นศพเดินได้สพที่มีการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปาก นัได้ไดีเสริมมันก็การเป็นศโสไปคือคือถ้าเราไปเทีย่ยวไปสมมติเราไปเห็นรูปสวยๆงามๆแล้วเรานึกถึงอสุภะได้ทันทีแล้วก็มีความเข้าใจว่ า, าไม่ว่าจะเป็นอย่างนี้ก็คือโอเคอย่างนี้ก็คื อ, อคือคิดถูกใช่ไหมครับคือให้มันน้ำหน้าความหลงใหลกับรูปร่า ง, างอั น, นี้สวยงามหรือถ้ามองเข้าไปใต้ใต้ผิวย่างได้ก็นนหนูของ ที่อยู่ในร่างกายเขาเลยก็ได้ดูโครงกระดูกของเขาดูปลอดดูต่าดูไตดูลำไส้ดูอะไรถ้ามันเห็นแล้วมันก็มันก็ไม่ได้สวยงามเท่าไหร่มันก็บรถยนต์เนี่ยเวลาเขาปิดกระโปรงเนี่มันก็สวยใช่ไหมดูรถพอเปิดกระโปรงดูเครื่องในโอ้มันก็ไม่มันไม่มีส่วนไหนข้างในสวยงามเลยครับแล้วที่นี้เนี่ยก็ถือว่าพอดีว่า พอีว่าเออเราเราเร า, เราก็ปฏิบัติไปแล้วเราก็ใช้ชีวิตไปเนี่ยคือคือเข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยมันทําให้เรามีอความอยากลดลงแต่ทีนี้พอความอยากลดลงเนี่ยด้วยด้วยสถา น, นะที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันสามารถตอบสนองในระดับที่เพียงพออยู่แล้วพอความอยากมันลดลงเนี่ยมันก็ยิ่งรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเรายิ่งรู้สึกไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเราจะแก้ยังไงดีครับอาจารย์ ก็ดีถ้าไม่ขาดก็ดีปัญหาไม่อยู่ที่ขาดเนเพรา ะ, ะความอยากของเรามันทําให้เรารู้สึกว่ามันขาดพอเราลดความอยากเราว้าเฮ้ยเราต้อพอกินพออยู่มันก็ไม่ขาดาแต่มันขาดก็ต้องขาดตามความเปจริงเช่นข้าวหมกอย่างเงี้ยข้าวหกับข้าวหมดอย่างนี้ต้ไปซื้อมาเติไมได้แต่ความรู้สึกว่าอ๋อเราต้องมีด้วยมีนี่มันจะไม่จำเป็น เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเราก็ ต, id, ตัดก hm ันไปได้แ <S <S ต่ทีนี้เนี่ยพอพอแบบเนี้ยมันจะไปถึงขั้นตัดตัดกิเลสได้ไหมครับอาจารย์หรือว่ากิเลสนะกิเลสเนี่ยที่ที่ไปติดกับของฟุ้งเฟ้ของรู้ล้าของอะไรต่างๆนี่ก็เป็นกิเลสเท่านั้นเป็ความอยากการมาฉันทะเป็นคําอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของสิ่งต่างๆ เราไม่ก็จะอยู่แบบชิลิตเรียบง่ายมีชุดขาวสองสามชุดแค่อยู่ได้แล้วเสื้อผ้าไม่ต้องมีกระเป๋ารองเท้ากระเป๋าตานูา่นตานี่ยี่ห้อนู่นยี่ห้อนี่อะไรไม่ต้องมีแล้มีแค่กระเป๋าแค่รองเท้าก็ใช้ของธรรมดาธรรมดาไปตามเหตุตามในใช้ไปตามกิเลส ต, ตามความสมมตินิยมสังคมนดียม อันนั้นเป็นเร่องขอัตา ต, ต, ตัวตัวด้วยเดี๋ยวเราใส่ของถูกคนก็จะดูถูกเราอะไรน้นำใส่ของแบรนด์ของแบร น, บนด์ในอะไรนะครับความอยากนี่มันก็อยากค่อยๆหายไปถ้าเราปฏิบัติจิตนำในความอิ่มมีความสุขมากขึ้นเราก็รู้ว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความอิ่มความพอของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าได้สิ่งต่างๆมา ในสิ่ตางมาบานะท่านมันก็ยังหิวอยู่างนีมันยังขาดยังไม่พออยู่นะเข้าใจไหมครับครับแต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องเลิกกาแฟนี่ที่ยังยังทําไม่ได้พอาจารย์ก็ไม่ได้วอให้ทําเลยอยู่ที่เราจะเราจะเลือกทําข้อสอบเลยเราก็เลิ่มทำข้อสอบที่เราทําได้ก่อนข้อสอบที่ยากก็ข้ามไปก่อนอย่าไปเสียเวลาไปครับครับ ก็พยายามเอาแบบมักน้อยสันโดษใช้ให้น้อยที่สุดเอาเอาของที่จําเป็นเท่านั้นของนี่มันจาเป็นอัไหไม่จําเป็นก็ตัดไปอัไหนที่เป็นของฟุ่มเฟือยของหรูหราก็ตัดไปครับก็เขาจะอยายาปทีเนี้ยพออย่างที่ที่เรียนถามไปตอนแรกคือเรื่องเพร์สการสามสิบสองเนี้ยเราดูแล้วเราเราเฉยเฉเนี่ยก็ยังสามารถใช้ได้ต่อหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนเปลี่ยนไป ก็รเราไปใช้ตอนที่เราเห็นพิธีมเห็นดาราเห็นอะไรเย่นั้นดู ค, คือว่ามันจะเปลี่ยนความรู้สึกของเราเวลาที่เราเห็นภาพสองภาพที่ไม่เหมือนกันได้มาอีกครับใช่ครับเวลาเห็นภาพเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอย่างหนึง่งแล้วถ้ า, าการดับความรู้สึกนั้นแล้วเราดูภาพอีกภาพนึงมันมีกลับมาเฉยไม่ใช่กลับไปตื่นเต้นตื่ น, ต, น, ต, นตาตื่นใจ่ะ เฉยไหมครับครับดีแล้วเฉยได้ไม่เป็นไรนะแสดงว่าใช้ได้แสดงว่าจิตเรามีมีกําลังดูของที่ไม่สวยงามได้บางคนดูไม่ได้ดูได้อย่างไม่กล้าดูไม่กล้ามองเพรจิตยังอ่อนจิตยังไม่แข็งพอครับดูนะต่อไปเวลาที่ใจเราเกิดฟุ้ง้งซ่านขึ้นมากับภาพสวยๆ ง, งามๆแล้วก็จะได้เอามาดับความฟุ้งซ่านได้ให้มันกลับมาเฉยๆได้ หลังๆมันก็แค่นี้แหละมันก็แค่การ32 อ, อะไรเงี้ยครับพระอาจารยบครับขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับโอเคไปที่คนชริษาเอ็นเคฮิบุนเพะวันนี้ไม่เหนื่อยค่ะพระอาจารย์กลับนมาสักการพระอาจารย์แล้วค่ะค่ะ ปุ๊ดทำไมมันมันมองไม่เห็นอะไรพอดีลูกหลับต่อบคำพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะวันนี้ไม่มีคําถามแล้วไปค่ะกล่าวพระอาจารย์เท่าค่ะโอเคคุณจิ๊บรออยู่นานเนี่ยเมื่อกี้หาไปไหนมาจิ๊บจากไม่ไหวแล้สนัสการ์ค่ะอาจารย์ยมอยู่อยู่อยู่นี่นะคะแต่บางทีหน้าจอปิดบ้างเปิดบ้างเพราะว่า พอดีจะคุยก tamam. de ับเพื่อนร่วมงานยมก็เลยปิดบางทีนะจอมันเคลื่อนไปขึ้นมาต้องขอขอโทษด้วยนะคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะค่ะอาจารย์สบายดีนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะค่ะอาทิตย์ที่แล้วยมเข้ามาแป๊บหนึ่งแล้วก็มีประชุมยมก็ต้องออกไปก็ไม่เข้าใหม่ดีก็ไม่ทานก็คือมันมันเลิกช้าก็เลยไม่ได้เข้าสีาบอกว่าฝากปลาซีิ๊ทานไห ค่ะยมก็ฝากลูกกระชิตเลยฝากคุณหลาด้วยฝากสลินทรนด้วยบอกช่วยบอกพระอาจารย์ด้วยนะว่าเรากล่าวฝากกลาวอมั ส, สการสวัสดีพระอาจารย์ด้วย mm hmm. ค่ะวันนี้ไม่มีคํำถามกับพระอาจารย์ก็พยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะบางทีมันก็มีพอดีวันนี้มันหนาวช่วงนี้มันหนาวหนาวบางทีแบบเ อ, อทําไมมันทําร่างกายให้มันดูเหมือนจะขี้เกียจแต่เอามาเป็นข้ออ้านก็ไม่ได้ก็แบบอะพยายามนั่งห้านาทีก็ได้พยายามพยายา ม, ยายามก็เลยแบบว่าเออ ถ้าเรื่องของกิเลสเนี่ยมันไม่ค่อยขี้เกียจไรถ้าเรื่องของารรมแล้วมันขี้เกียจขึ้นมาทันทีใช่มันเป็นอะไรไม่รู้ว่าทไมขี้เกียจแบบว่ากิเลสมันตมจมตีหนักมากเลยปีใหม่นี้ขี้เกียจก็เป็นกิเลสอย่างนึงใช่ไหมคะนล้ถึงเวลาอ้าทำไมมันง่วงง่วงเราก็นั่งคิดเอะหรือว่าเป็นเพราะเราเป็นไทย้อยเอ๊ะไม่เกี่ยวนะกิเลสจะชักตุงเราไปทางไหนเนี่ย ไม่ชวยเากินไม่นอนม่กินไม่ดื่มไม่นอนแล้วยอมไม่ดื่มกาแฟนะคะแต่เมื่อกี้เห็นพี่โยพูดถึงกาแฟกันแต่โยมไม่ดื่มกาแฟโยมยื้มชาเขียวเพราะแบบมันตลกมากแล้วพอดื่มชาเขียวปุ๊บจะนั่งอ้าวหลับหลับทันทีหลังจากดื่มไม่ถึงสิบไม่ถึงที่สิบสิบนาทีเลยโยอกอะไรเนี่ยชาเขียวไม่มีคาเฟอีนเลยก็ไลยแบบเออเออมันสงสัยกิเลสมันแบบมันเกาะกินแล้วเดี๋ยวต้องแบบเอา เอาหินขัดขัดมันออกไปค่ะก็พยายามปฏิบัติค่ะพระาจารรักษาสุขภาพนะคะที่ตองนู้นหนาวไหมคะตรงนู้นหนาวเย็นเย็นสบายไม่ถึงกำหนาว2ี่สิยมก็เลี้ยงยมอยู่ในออฟฟิศแต่ในห้องของยมมันเย็นยมก็ไม่เอาเสื้อโค้ทมาใส่3าชั้นแหละค่ะพระอาจารย์วันนี้ยมไม่มีอะไรค่ะการนมัสการค่ะ ค่ะค <น S 2> สวัสดี<ม>ทีมงานคุณบอยด้วยนะคะสวัสดปีปีใหม่ค่ะคุณมดดีจากโซเลนแชรมมดดีใช่ไหมโซเลนน ะ, ะพูดได้เลยกาบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างก็ยังเพียรเจริญสติอยู่นะเจ้าค่ะ<ม>แต่ว่า ช่วงนี้ไม่ค่อยอยากจะสนทนากับเพื่อนร่วมงานนะเจ้าค่ะก็เวลาจิตส่ขมันก็นไม่อยาก ler, ยิ้มกับใครเท่าไหร่ก็เวลาเขาถามอะไรมาบางทีเหมือนเหมือนถามผ่านผ่านโซเชียลอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะเหมือนเราเห็นแต่ว่าเราไม่อยากเข้าไปอ่านไม่อยากเข้าไปดูแต่ถ้าเป็นเรื่องงานเราก็ก็จะตอบแล้วลเราก็จะไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเวลาเขาคุยกันหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าถ้าเป็นเรื่องอื่นที่เป็นเรื่อง คุยคนอื่นบ้างคุยอันนั้นบ้างที่มันไม่ได้มีสานะที่เราจําเป็นจะต้องคุยหนูก็เหมือนเหมือนออกมาไม่คุยไม่ค่อยสนทนาเหมือนแล้วเขาก็เหมือนพยายามคุยอย่างนี้ยนะเจ้าค่ะแต่เราเนี่ยไม่ได้บอกว่าทําไมเราถึงถึงเป็นแบบนี้หรืออะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับไม่อยากพูดอะไรเงี้ยนะเจ้าค่ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยเราไม่ไปทําให้ใครเสียหายเดือยรนอนไปกด <laughs> เก็กลัวว่าเขาจะน้อยใจไหมอยู่นะคะเหมือนกับทำลายความรู้สึกเขาไหมอะไรเงี้ยแต่เหมือนไม่อยากสนใจ ใ, <ค>ใจมันก็เหมือนไม่อยากสนใจให้เขาพูดถ้าเรา้าเข า, าเขารู้สึกอะไรเอาดเดี๋ยวก็พูดออกมาเองเ <c oughs> ่ยไม่ตองพูดก็ไม่เป็นไรถ้าว่าเขาเข้าใจเราก็ได้ค <c oughs> ่ะ ก, ก็ก็เหมือนเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะเจ้าค่ะแค่แบบไม่อยากสนทนาถ้าไม่ใช่เรื่องงานก็ไม่อยากคุยกับใครอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะ าลาจะต้องสิลาจะต้องเสียเพื่อนไปก็ได้เพราะเมื่อเขารู้ว่าลาเฉยเขาก็อาจจะไม่ไม่ไมายุ่งกับเราก็ได้ค่ะก็หนูห น, นูมันมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเอจะเสียเพื่อนหรืออะไรแต่ว่าเหมือนเราอยากอยู่นเงียบเียบอยากอยากใช้เวลาด้วยความที่งานมันเยอะเจ้าค่ะเราเราอยากมีเวลาให้กับเอ่อการการเจริญสติให้มากๆหลังจากเวลาที่เราว่าง จะว่างนิดว่างหน่อยเราไม่อยากไปเสียเวลาคุยอย่างนี้นะเจ้าค่ะก็ดีไม่เป็นไรนี่ก็ทําไปน้อก็ดูไปเรื่อยๆอยา่าเพิ่งไปวิตกวิจารณ์ามากเกินไปค่ะแต่ทีเนี้ย เ, เด็กๆ เ, เขาก็น่ารักนะคะด้วยความที่เราเหมือนเหมือนเวลาเราเข้ามาสู่การเ อ, อนํานําพระธรรมคำสอนเนี่ยมาปฏิบัติในชีวิตประจําวันเนี่ยหลายๆอย่างรอบด้านมัน มันดีอย่างน่าแตกใจเลยนะเจ้าค่ะเหมือนเหมือนเหมือนมันเป็นความโชคดีหลายๆอย่างรอบด้านทุกอย่างเลยไม่ไม่ทราบว่าอาจจะเป็นผลของของการปฏิบัติ ด, ดีเราเรารู้สึกแบบนั้นนะเจ้าคะ่ะถูกต้องปฏิบัติไปใจล้วก็มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นไปค่ะแล้วแล้ ว, ลวตอนนี้คือมั่นใจมากๆเลยเจ้าค่ะก่อนหน้านั้นหนูเคยมีความรู้สึกว่า เราจะต้องพัฒนาตนเองในในสายวิชาชีพแล้วก็เคย <c oughs> เคยคิดว่าจะต้องแบบไปเป็นผู้บริหาร น, นะอะไรเงี้ยเจ้าค่ะ <c oughs> แต่ <c oughs> แต่ตอนนี้มีความแน่วแน่ในใจเลยว่าเราจะเป็นแค่นี้แล้วก็พอพอเราจบภาระเรื่องของที่ที่เราเสร้างภาระขึ้นมาก่อนที่เราจะมาเจอพระพุทธศาสนานะเจ้าค่ะก็ <c oughs> ถ้าจบตรงนี้เราก็อยากจะไปทางนี้ซะมากกว่าไม่อยากหาอะไรแล้วอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะ ได้แสดงว่าเราไปถูกทางแล้วไงกดีค่ะก็ได้พระธรรมนี่แหละเจรร้าค<ฆ>่ะแล้วก็พยายามเข้ามาร่วมฟังธรรมเรื่อยๆได้ข้อคิดในหลายด้านจากผู้ร่วมฟังธรรมจากคําถามที่พระอาจารย์ได้เมตตาตอบนะเจรร้าค่ะโอเคทำต่อ<ฆ><ฆ>ไป<ฆ><ฆ>ค่ะกล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์นะเจรร้าค่ะนะครับทุกทุกเจ้าค่ะคุณพระสวีใช่ไหมคุณพระสวีเชิญ อยู่ที่ไหนตามธรรมศารพระอาจารย์ค่ะอยู่นนท บ, บุรีค่ะเอะมีอะไรไหมอ๋อก็อยากจะเรียนถามพระอาจารย์เคยฟังพระอาจารย์เ อ, อสอนไว้ว่าเวลานั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์จะบอกว่าให้อยู่เฉยๆไม่ไม่ให้ขยับอะไรเงี้ยค่ะถึงรู้สึกตรงไหนชาก็ให้รู้ว่าชาแต่แต่ทีนี้อยากจะถามพระอาจารย์ว่า เวลานั่งไปรเราจะตัวงอค่ะคืออย่างตอนนี้มันตัวใหญ่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปสนใจอย่าไปยืดอย่าไปทาอะไรมาให้อยู่กับการภาวนาของเราไปเรื่อยๆอยู่กับุทโธอยางแล้ก็จะงอลงไปเรื่อยๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรล้วไม่เป็นไรแล้วแล้วกลับมาที่ร่างกายมันกากลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วร่างการจะออกจากร่างกายทิ้งร่างกายเราจะเข้าไปข้างในใจ โอ้โค่ะก็ปล่อยร่างกายจะเป็น ไ, ไงก็ปล่อยไปมันจะเอ็นจะอีอะไรช่างเพราะมันนถ้าเราอยู่กับลมไปแล้วพุโทโธไปถ้าเราใช้ลมม่อยู่กับลมไปพุโทโธก็พุโทโธไปมไม่ต้องไปสนใจกันแล้วหน่อยโอค่ะไม่งมันมก็ไปไม่ถึงไหนโอ้เมื่อกี้ก็เหมือนกับเราต้องเริ่มต้นใหม่บ่อยๆใช่เวลาขับรถออกจากบนะ้านแล้วนึกได้ว่าลืมของเอากลับมาเอาของกลับมาบ้านอยูรื่อย พอเราขาว่าออกจากบ้านเราไม่ไม่ต้องการจะกลับมาบ้านแล้วเราต้องกาดไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปเราต้องการเอาจากร่างกายเพื่อไปสู่ความเฉลิมพระเกียรติต้องออจากร่างกายไปคเพราะอย่าไปสนใจเรื่องของร่างกายน้ำลายจะไหลน้ำลายจะคืนไม่คืนไม่ต้องไปสนใจมันจะไหลเข้าไปมันไหลไป ไ, ไม่ทำให้คืนน้ำลาย มันจะคันตรงนั้นเจ็บตรงนี้ก็ปล่อยมันคันไปเจ็บไปอย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไปยุ่งกับมันพยายามก่อติดกับพุทโธไปเรื่องลมไปอย่างเดียวอค่ะอาจารย์ถึงแม้เราจะปวดขายไงเราจะเปลี่ยนอริยาบถไปไม่ได้ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ไม่ขยับเลยก็จะถ้าต้องการให้จิตมันไปไปสู่ความสงบค่ะถ้าเปลี่ยนป้ามอกบมาเริ่มต้นใหม่ อ๋ออย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราลุตอย่างนั่งขัดสมาธิแล้วเราจะแบบปดเมื่อเราเปลี่ยนมานั่งเก้าอี้ธรรมดาแล้วเราก็เริ่มพุทโธไปอย่างนี้ตลอดอย่างนี้ก็จะดีดีกว่าก็ลองดูก็ได้นอนดูก็ได้ถ้าไม่ใหม่แล้วยังนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ไปก่อนก็ได้อ๋อค่ะอ า, าจารย์แต่ก็นั่งแล้วก็พอ้วเริ่รมภาวนาก็ต้องไม่ไปสนใจกับร่างกาย่ะค่ะค่ะอาจารย์ทีนี้อยากจะเรียนถามอาจารย์ก็คือ ฟังพระอาจารย์มาปีกว่า ก, าก็รู้สึกว่ า, าใจเย็นขึ้นแล้วก็เหมือนจะมีสติขึ้นหรือเปล่าก็คือจากเหตุการณ์ที่ว่าเมื่อช่วงปีใหม่นะคะชวนกับสามีไปไหว้พระอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะคุยกันไว้ว่าแบบไม่ให้อารมณ์เสียแต่ปรากฏว่าคนเยอะไปไปไ ป, ไ ป, ไปที่ศาลหลักเมืองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนเยอะเขาก็อารมณ์เสียอารมณ์เสียแล้วเราก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะหนูก็จะแบบว่า ก็จะเถียงกันคนละคำอย่างเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยหนูก็จะนิง่งนิ่งแล้วก็จะบอกกับตัวเองว่าอย่ายไปให้ค่าแล้วก็นิง่งแล้วก็นิง่งแล้วก็คือเหมือนกับประมาณว่าไปกินแบบหิวข้าวแล้วไปหาข้าววินเระทุกที่ก็จะคนเยอะไปหมดอะไรเงี้ยเขาก็จะอารมณ์เสียอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเงี้ยถือว่าหนูอะมีสติหรือเปล่าคะถ้ า, รรถารเราเฉยได้สแสดงว่าเรามีสติมากขึ้นมีเบะขามากขึ้นหนูก็เงียบแล้วก็แต่แหน้าเราก็หม จะน่างอแต่ว่าเราก็บอกกับเหมือนสะกดจิตตัวเองสะกดใจตัวเองรงับตัวเองหรือเปล่าว่าอย่ากไปให้ค่าถ้าเขาอารมณ์เสียอีกแล้วเขาไม่อยากจะไปต่อที่วัดไหนวัดไหนจะกลับก็กลับแล้วเดี๋ยววันหลังเราค้นมาเอ ง, ก, งก็จะไม่จะไม่เฉยเต็มที่ต้องใช้ใช้ปัญญาสอนใจให้เฉยอ๋ออย่างนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้เริ่มพอมใช้ได้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วแต<อ>ถ่ถ้าถ้าถ้าเฉยเรื่องทําที่ยังไม่ไมต้องไม่ต้องพูดอะไรเยชยเฉยไป อ๋อค่ะตอตยังไม่เฉยก็ต้องต้องใช้คำสอนมาสอนใจให้เฉยไปค่ะเพราะว่าไปที่ร้านอาหารจะประมาณสี่ห้าร้านแ ล, แล้วก็แบบคิยวยาวแล้วก็แบบเขาก็รอไม่ได้จนเขาไปได้กินก๋เดี๋ยวร้านหนึ่งแล้ววัหลังจากนั้นเขาก็รู้สึกดีขึ้นดีนจนไปไปวัด ส, สุดท้ายแล้วก็ได้ไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้ไปเห็นเอ่อของของในหลวงราชการ ที่กาวอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกดีแล้วเขาก็แฮปปี้เขาก็คือเออถ้าเขาก็มีมาขอบคุณตอนหลังนะคะว่าถ้าไม่ได้มาวันนี้ก็จะเสียดายมากอะไรอย่างเงี้ย เ, เพราะว่าช่วงนั้นกทมเขาเออนิมนออพระก้าวก้าวองค์มาให้กราบสักการะที่พิพธิธภัณฑ์สวาน์ยังชาติรุ่งปีใหม่ค่ะแต่ก็ไปด้วยดีก็รู้สึกเออปีตีอะไรอย่างเงี้ยก็ ก, การนมัสการอยากจะให้พระอาจารย์แนะนําให้แบบจะได้ก้าวหน้าขึ้นไปกว่านี้อะค่ะมันฝึกสติไปเรื่อยๆพูดโ่พุโทโธอไปตอนตอนที่เราไม่ได้นั่งกบพุดโธพุดถ่ไปแล้วคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเอย่าคิดอะไรคิดให้น้อยหยุดความคิดให้ได้หัวใจจะนเนิ่งได้มากขึ้นจะเฉื่อยได้มากขึ้น ก็ช่วงเ ข, าาข้าพรรษาคาะหนูทําได้ก็คือว่านั่งแบบถือศีลห้าแล้วก็นั่งสมาธิแบบกําหนดเริ่มเริ่มเริ่มนั่งสมาธิอย่างน้อยันละยี่สิบนาทีแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมไมทานมื้อเย็นเนี่ยช่วงเข้าพรรษาสมเดือนน่ะหนูทําได้ดีมากแล้วพอออกออกพรรษามานเนี่ยก็คลายคลายแล้วก็ เหมือนลูกก็ชวนทานมื้อเ <ทำ S 1> ย็นทำไมไม่<อ>ทาต่อทำไมไม่ทําต่อใช่ๆค่ะหนูกําลังจะจาบเรียนพระอาจารย์ว่าเนี่ยหนูมาคิดใหม่พอข้ามปีใหม่มาเนี่ยหนูก็มาคิดใหม่ว่าเดี๋ยวหนูจะเริ่มใหม่แล้วให้ทําเหมือนตอนเข้าพรรษาค่ะก็ะจะจัดเวลา<ด>เหมือนประมาณเ<ด>รียนเสร็จเนี้ยหนูจะมานั่งสมาธิเริ่มต้นจากเหมือนเดิมยี่สิบนาทีก่อนก็คือทําแบบนั้นทําช่วงที่แบบว่าไม่มีใครอยู่บ้านอะไรเงี้ยเราจะน่าจะทําได้ดีอะค่ะีด็กๆเข้าใ ทำไปทำให้มากขึ้นดีกว่าดีกว่าทำให้น้อยลงมาทำให้น้อยลงคนมันก็น้อยลงไปตามใช่เพ <ทำ S 1> ราะว่าพอออกพรนษามาแล้วเรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันหย่อนไปหมดเล ย, เล ย, เลยเอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงงงั้นเรามาเรามาตั้งเหมืาคือก็จะเขียนแปะไว้ที่ที่คำแพงที่โต๊ะทำงานแต่ว่าอย่างช่วงเขา้าพรรษาทำสามอย่างพอก่อนก่อนจะนอนหรือทำภารกิจไรเสร็จเรียบร้อยเงี้ยเราก็จะดูว่าสามอย่างนี้เราครบไหมถ้าวันไหนยังไม่ได้นั่งเนี่ย เราก็จะต้องทำสามอย่างนั้นนะให้ครบก่อนอก็เลยว่าจะมามาทำใหม่ อ, อีกนะคะพระจาร์ต้องมีกฎ<ช>ต้องมีกอ<ช>นีม้มีตารางมันจะได้บังคับตัวเองได้ถ้าไว้ให้ทำตามอำเภอใจมันก็จะไม่ได้ทำาท่ไหรใช่ไหมงั้นมันก็จะไหลไปเรื่อยคนนู้นคนนี้น อ, อ้างนี่อยู่้วยมีเหตุนู่นเหตุ น, นี้อยู่ด้วย ใช่ค่ะใช่ค่ะก็กล่าวว่าจะถือสินห้าแล้วก็วันไหนก็คือหนูจะมีเวนดูแม่นอนกับแม่สิบวันแม่อยู่แปดสิบกว่าอย่างเงี้ยก็ช่วงไหนที่เข้าเวนอนกับแม่ก็จะถือสินแปดก็คิดไว้แบบนี้ค่ะอาจารย์โอเคทำไปนะค่ ะ, อะขอบคุณค่ ะ, ะคุณสมชายจากเพนเซเมเนียอ่า กับท่านอาจารย์ครับอก็มาฟังมาเข้าฟังแล้วก็เข้ามากับท่านพอาจารย์ที่ให้อ่าให้ความรู้แล้วก็ฟังทุกท่านเอ่อครับแล้วก็เอาไปใช้ในบางส่วนที่อ่าช่วยได้นะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์วันนี้ไม่มีอะไรถามครับ <Okay. S 1> างานเยอะะ แ, แล้วก็กทุกๆวันมากงแหละครับแล้วก็อน า, านข้างนอกอะไรมากงก็มีการดีไซน์การาสมรากเรือใหญ่ที่เข้ามาในพอร์ตเอลนะฮะก็ส ม, มากผมก็จะต้องไปดีไซน์ทําด้วยกับเขาครับโอเคโอเคฮะเดี๋ยวช่วรเดีไปที่ท่านต่อไปเลยคุณแอฟนี่แอเชียงใหม่ กับนรัตการครับพระอาจารย์มีอะไรไหมคนแรกอ๋อครับก็มีวันนี้มันมันมีมีมีนิดนึงร่ามีมีมีหนึ่งคำถามมีมีมีหนึ่งคำถามครับถามว่าอะไรอ๋อวันนี้พอดีจังหวะผมได้ฟังเทปของพระอาจารย์ในช่วงไปสองครับผมก็ได้พาให้ให้แฟนพามานั่งให้ให้ฟังพระอาจารย์ด้วย ฟังจบปุ๊บแกก็บอกว่าอ๋อพระอาจารย์จะชวนให้ไปบวชอย่างเดียวทุกวันนี้ก็เหมือนจะบวชอยู่แล้วครับ <laughs> ประมาณนี้ครับเพราะ <laughs> ผมเหมือนจะบวชอยู่แล้วครับพระอาจารย์แกก็เลยบอกว่าฟังพระอาจารย์เทปของวันนี้ก็ขนาดนี้ก็จะบวชอยู่แล้วขณะพรนาจาย์ฟังพระอาจารย์อยู่บ่อยๆก็อ่ฟังพระอาจารย์จนคือผมฟังพระอาจารย์มาในช่วงบ่ายสองเนี่ย ช่วงปีสองผมฟังมาสักประมาณปีกว่าของปีจนแบบมันมันมันมันเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจระดับหนึ่งความอยากความอยากเนี่ยจากร้อยหนึ่งก็ลดไปทั้งหกเจ็ดสิบแล้วครับเหลือแต่ยังมีความอยากอยู่แต่ก็อยู่ประมาณสาสามเจ็ดถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเดมีคำถามอะไรไหมครับไม่มีครับ<า>มีแค่นี้ครับอาจารย์ครับครับก็ปฏิบัติต่อไปนะครับอาจารย์ครับ อัจะเรย น, น, น, น, น, น, นมันจะรีนเกินสระมาสการครับพระอาจารย์อยู่ปทมฯใช่ไหใช่ครับอยู่ปทุมธานีครับมีอะไรไวันนี้ไม่มีครับพรอาจารย์ยังปฏิบัติอยู่แต่อาจจะแบบห่างๆไปบางทีสามวันอย่างนี้ครับทำงานครั บ, รบพยายามนะครอย่าห่างมากเกินไปพยายามพยายามตั้งตารางไว้แล้วพยายามทำตามตาร รับรับคำสั่งสอนของพระอาจารย์ครับอ้าเจ้าคนเรื่อยจากศรีราชาทนคนเรื่อยกลาวนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูยุ่งยุ่งเลยหายไปไหลายอาทิตย์อ ม, มีคําถามไม่มีอะไรเจ้าค่ะขอให้อพอาจารย์พักผ่นขอให้หายยุ่งนะเพิ่งเพิ่งไปตรวจที่โรงพยาบาลมาพระอาจารย์ก็โอเค เี๋ยวเพิ่มไม่มดลูแต่ว่าก็กช่างมันไม่ค่อยไปใส่ใจอะไรเงยเรื่องของมัน น, นนะห้ามมันไม่ได้นะใช่ก็อาจจะเล็กคอมเมนต์ให้ตอบบอกว่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีค่ะช่วงนี้เดี๋ยวรอสร้างงานก่อนไม่เน <c oughs> นี่โอเคไม่มีไรนะจะได้ไปอันต่อไปอสาธุ ค, ค่ะคุณปรินาขออมไรอย่างคุณปลีนา ให้เสียงเปิดไปนำให้เข้ามานะครับตอนที่เข้ามาเปิดหม้หรือเปล่าอะไรยังไงอย่างนี้ไปที่คนคนหลาต่อเลยคนหลามีคำถามอะไรบามามีทั้งหมดแปดคำถามจากทางเ c e b o o k และ y o u t u ู e ค่ะสองคำถามแรกจากคุณฟ้าคำถามแรก คาวาสควรรักษามักแปดเพื่อบรรลุทำได้อย่างไรคะฟ้าฟังวิทยากรท่านบอกว่ามักแปดจะเกิดได้ในขณะจิตเกิดดับต่อหนึ่งดวงค่ะเออไม่หรอกไม่แน่ไม่รู้เกิดดับได้หนึ่งดวงมันต้องเกิดตลอดเวลาด้วยการพยายามสร้างมันไปเรืกก่อยๆมักแปดมักแปดก็เหมือนกับการสร้างบ้านเนี่ยเราก็ต้องสร้างเอา ข้อที่หนึ่งสมาธิ 3. ก็ต้องฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆจะได้เห็นตายรักเห็นอ ร, ายยา ร, ริยสัจสี่เนี่ยต้องทําไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันจะปรากฏขึ้นมาสี่นี้ก็สีก่สก็ต้องรักษาสมาธิก็ต้องปฏิบัติสติก็ต้องต้องเจริญทําไปเรื่อยๆคำถามที่สอง ปุตุชนควรทำอย่างไรในการบำเพ็ญธรรมเมื่ อ, อยังต้องครองเรือนอยู่ค่ะกราบสาธุกคะก็เหมือนกันนะปุตุชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นฆราวาสก็ต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาเนื้ศีลสมาธิปัญญาถึงจะสามารถที่จะบรรลุธรรมได้คำถามต่อไปจากคุณสมบูรณ์เวลาจิตมันดือ้อควรทำอย่างไรครับพระอาจารย์ ก็ต้องทรมามันสจให้มันอดก้าวใหมันดื้อยอย่าให้มันทำในสิ่งที่มันชอบทําให้มันอดกาแฟอดข้าวบ้างคำถามต่อไปจากคุณเอกวิทย์พระอาจารย์บอกว่าคนเราเกิดมาเพื่อเสพการการมีความสุขกับลูกเมียญาติพี่น้องเงินทองสมบัติ ก็ถือว่าเป็นการเสพการามด้วยใช่ไหมครับใช่มันเสพรูปสีกลิ่นรดของพวกเหล่านี้พวกเหล่านี้มันเรียกว่าเป็นรูปสีกลิ่นรดอสพัพพะอันนี้ต่างๆคำถามต่อไปจากคุณสตารเรื่องพวกเครื่องหอมในร่างกายทั้งสบู่ยาสระผมเราควรใช้ของเด็กที่ไม่มีกลิ่นหอมจะดีกว่าใช่ไหมคะรวมถึง น, น้ำยาซักผ้าด้วยใช่ไหมคะ ถ้าเป็นไปได้ถ้ามันเป็นไดไม่ได้มันเพียงก็ต้องก็ลองใช้ไปตามมีตามเกิดนะคำถามต่อไปจากคุณจิตกรกราบนมัสการพระอาจารย์พระอาจารย์ช่วยชี้แนะผมหน่อยครับผมนั่งสมาธิเมื่อเริ่มสงบปรากฏว่าได้ยินเสียงสารพัด เสียงมันไล่ไม่ให้นั่งบ้างเสียงน่ากลัวบ้างจนผมต้องถอยออกจากสมาธิจนผมไม่กล้านั่งอยู่เลยไม่ทราบว่าจะมีวิธีไหนแก้ไขบ้างครับก็ให้สวดมนต์ไปก่อนนั่งนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ไปภายในใจอย่านั่งเฉยเฉยคำถามต่อไปจากคุณแหลมที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นมีธรรมใช่ไหมครับ ก็แล้วแต่จะว่าที่ไหนมีทุกที่ไหนไม่มีธรรมก็มีเยอะยะนั่นอยู่แล้วแต่ใจของแต่ละคนว่าจะมีธรรมหรือไม่มีมธรรมหรือไม่มีธรรมมันไม่ได้ยก็อยู่กาต้องมีทุกแต่ที่เขาพูดเขาหมายถึงว่าถ้าอยากจะให้เกิดธรรมต้องเจอทุกก่อนเมื่อเจอทุกแล้วจะได้ใช้ธรรมมาแก่คำถามสุดท้ายจากคุณแม่จ๋ากับน้องมีนา ขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะคำถามคือเพื่อนร่วมงานเขามีพฤติกรรมการกระทำในการทำงานที่รุนแรงชอบทำสิ่งของกระแทกกระทบกระทั่งใส่ตัวหนูซึ่งซึ่งหน้าหนูก็เฉยแต่ยิ่งนับวันการกระทำของเขายิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆจนหนูต้องไปแจ้งหัวหน้าแต่เขาก็ยังไม่ลดละพฤติกรรมนี้ หนูต้องเฉยต่อไปถูกไหมคะแต่บางครั้งก็นึกสงสารเขาในใจที่เห็นเขาร้อนรนกระวนกระวายเจ้าค่ะก็ดีถ้าเราสงสารเขาเราก็จะได้ไม่ไ ม, ไม่ถือสาเขาก็าอย่าไปถือสารเขาเพราะเราห้ามเขาไม่ได้บังคับขเขาไม่ได้แล้ว เ, เอจแล้วเจ้าค่ะอะ่คุณชายอนีจเข้ามาสุดท้ายวันนี้วันนี้ กล่าวมาซะกันเจ้าค่ะที่จริงหน่อยเข้ามาตั้งนานแล้วไม่ได้เปิดกล้องเจ้าค่ะเพราะดีมีนิดนึงเจ้าค่ะจะถามพระอาจารย์ว่าคือออกจากมองเห็นตัวเองไม่ได้เลยเจ้าค่ะเวลาเข้าสมาธิมองจะมองเห็นตัวเองนั่งสมาธิแบบนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่าไปดูเลยมาดูที่ลมหายใจนึกพุทโธพุทโธแต่อย่าไปสนใจ มันก็จะเหมือนเหมือนเครื่องมันรวนแล้วมันก็จะเด้งออกมาเจ้าค่ะสติเรามีกําลังน้อยเน้นต้องฝึกสติให้มากก่อนทั้งวันทั้งคืนใพยายามฝึกสติอยเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆก่อนไม่อ่างนั้เวลาเรานั่งแล้วมันจะสร้างภาพอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกเราต้อค่ะต้องฝึกสติถ้าไม่ฝึกสติแล้วเวลานั่งก็ต้องสวนเหมือนไป อยากไปสนใจกับภาพที่ปรากฏขึ้นมาเจ้าค่ะแล้วก็จิตเกิดดับคืออะไรเจ้าค่ะาอาจารย์อารมณ์ไงอารมณ์ในจิตที่เปลี่ยนไปเปลีนนะ่ยนมาอารมณ์นีเดี๋ยวก็กอดเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจนี่เ จ, นะจ้าค่ะเพราะว่าไหนเคยเห็นแบบอารมณ์ตัวเองที่แบบเกิด<ม>แล้วก็ดับอะไรอย่างงี้นั้นแหละคืออะ<ม><ม>รหมายถึงจิตคอนเทนต์ก็หมายถึงตัวอารมณ์ที่มีอยู่ในจิต ที่เกิดดับเกิดดับมันก็เลยมันเรียกว่าจิตเกิดดับเพราะยิ่งตัวจิตในน ม, มีดับ ม, มันอก็มีแค่อารมณ์ที่เกิดกับอารมณ์โกรธอารมณ์หิวหิวนี่คือเป็ น, นอารมณ์ไหมคะอารมณ์เครียดอารมณ์สบายอะไรอารมณ์ทั้งนั้นเนะน่ยจ้าค่ะมีต่การวนโกรธเกลียดดีใจเสียใจรักชังอะไรก็เป็นอารมณ์ทั้งนั้นจ้าค่ะมีคําถามสองคำถามนี้จ้าค่ะ โอเคให้เข้าใจแล้วก็ปล่อยวางอย่าไปยินดีนร้ายกับมันเจ้าค่ะ <Okay. S 2> โอเคนะเจ้าค่ะไม่มีแล้วค่ะเค็น okay. ไปที่คุณแม่ชี ค, ชคุณแม่ชีกาแตหรอือยู่ที่ไหนคุณแม่ชีปิดไม้ใหม่ปยใไม้ทีนึงไม้ไม่ได้เปิดเสียงไม่มา เจ้าค่ะมัการเจ้าค่ะพระอาจารย์รอ่จริงๆจริงๆเอ่อตอนนี้อยู่ทองผาภูมิกาญจนบุรีค่ะแต่ว่าตอนตอนที่บวชบวชอยู่ที่วัดป่า พ, พิมายโคราชค่ะของหลวงตามหาบัวเจ้าค่ะโอเคมีอะไรไหมอือพอดีแบบคือคือหนูเอ่อแม่ชีบวชมาได้ประมาณหนึ่งเดือนตอนนี้คือแบบนั่งสมาธิอยู่ตรงที่ เจดีของตายายซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นคนที่แบบกลัวกวผีแต่หนึ่งหนึ่งเดือนที่ผ่านมาค่ะพระอาจารย์คือแบบตัวเองเหมือนอาจจะแบบข้ามขั้นไปนิดหนึ่งคือไม่ไม่ไม่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรเยอะมากแล้วตัดสินใจคือค่อนข้างจะประสบความสําเร็จทางโลกแล้วก็ตัดสินใจปรงผมบวชบวชเลยอย่างเนี้ยเจ้าค่ะแล้วก็เลยแบบหนึ่งหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคือเหมือนเข้าสมาธิไม่ได้มันปุ้งอยู่ตลอดแต่ว่าก็คือเหมือน ปล่อยวางละทิ das alle machen, wireless, machen, ้งอะไรทุกอย่างได้ได้ได้หมดเลยอย่างนี้เจ้าค่ะพร่อาชารก็ดีเพียงแต่ว่ากำลังที่จะเข้าสมาธิยังมีไม่พอก็ต้องพยายามฝึกสติให้มากขึ้นก่อนก็ก็คือให้นั่งนั่งนั่งไปแล้วก็ออพอมันฟุ้งก็คือไปที่พุทโธอย่างนี้หรือเปล่าเจ้าค่ะ ใช่ช่วงเวลานั่งแต่ต้องทำมากกว่าตามเวลานั่งต้องทำช่วงที่ไม่แน้นั่งด้วยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปภายในใจอย่าปล่อยให้ใจคิดทุกข์ซาทำ<ต>ทำั้งวันเลยทาทั้งวันทั้งคืนเลยก็คือก็คื อ, อพุโทโธอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่ใช่ทำพุโทโธพุโทโธไปเรื่อย ถ้าใจมันหยุดคิดก็หยุดรุ้โทรได้แต่พอมนันเริ่มขึ้นหม่ครับพุดโทรใหมเจ้าค่ะแล้วพอเวลามานั่งมันก็จะสงบได้ง่ายเจ้าค่ะเข้าใจไหมเ จ, จ้าค่ะโอเคมีอะไรไหมเอ่อพอดีอยากจะเอ่อถ้าถ้าอย่างเป็นแม่ชีที่อยากจะไปปฏิบัติกับเออ่พระอาจารย์ก็คือสามารถไปได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ มาได้แต่ที่บ้านเขาให้อยู่ข้างาเพ่เกินเจ็ดวันเจ้าค่ะพเพราะว่าตอนต อ, นอพอดีกลับมาเยี่ยมคุณแม่ที่ทองผาภูมิก็ไปขอพระอาจารย์ที่วัดเมรุวันพระอาจารย์สาครท่านก็ให้ให้โอกาสในการไปปฏิบัติเจ้าค่ะก็ดีไปอยู่ที่ัหนก็ได้เหมือนกันเจ้าค่ะขอให้ที่มันสงบกันแล้วกันเจ้าค่ะค่ะกลับนมัสการเจ้าค่ะโอเคสาธุ เป็นเกดเชิญเกดบันเด่นก็ทำร้างไม่มีคำถามครับเข้ามารับฟังครัพระอาจารย์โอเคอยู่ไปทีค่คุณปรินาคุณปรินาเชิญธรรมสการค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหน เ, เกิดอยู่บ้านบึงชนบุรีค่ะมีอะไรไหม พระอาจารย์เกตอยากเรียนถามว่าเกตนั่งสมาธินั่งที่บ้านนะคะนั่งวันละประมาณครึ่งชั่วโมงและนั่งได้117วันนะคะ่ะแล้วพระอาจารย์เกตนั่งเกตจะกําหนดลมหายใจพุทโธนะคะแล้วระหว่างนั่งเวลาเกตเจออะไรอย่างเงี้ยเกตก็จะจับมาอยู่ที่ที่ลมหายใจเหมือนเดิมและจน เ, เกณ่างมาถึงตรงที่รู้สึกตัวรู้สึกตัววันหนึ่งจะรู้สึกตัวตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรในระหว่างวันนะคะแล้วเกณฑก็ยังนั่งต่ออีกนั่งต่อไปเรื่อยๆก็ก็ดูที่พุทโธนี่แหละแล้ว ก, ก็เหมือนกับว่ า, เ, าเกณฑได้เข้าไปไปไปตรงไหนนี่แหละในในสมาธิอาค่ะที่นึง แล้วมันเหมือนกับว่าตอนที่เกดถอยถอยออกจากสมาธิค่ะเหมือนกับว่ามันมีอะไรอะมันลงมาที่หัวค่ะแบบแบบเหมือนกับไฟมันวิ่งอยู่บนหนักบนศีรษค่ะพระอาจารย์และทีนี้เกตก็ยังนั่งสมาธิต่อต่ อ, ต, อต่อทุกวันนะคะทุกทุก ท, ทุกวันเกดก็ยังฝึกปฏิบัติอยู่อย่างนี้ แล้ววันวันนี้มันจะมีกลิ่นนะคะกลิ่นหอมเย็นๆทั้งวันเลยค่ะกลิ่นนี้จะปรากฏหลายวันแล้วแต่ว่าวันนี้ทั้งวันเลยค่ะกลิ่นหอมเย็นๆนี้เกดสงสัยว่ามันคืออะไรผ้าจาร น, นะะกลิ่นนี้จะอยู่กับเกดตลอดเวลาก็เด้ก่อกลิ่นทิทปก็แล้กวกันกลิ่นเทปก็ได้ไ ค่ะเข้าใจค่ะอาจารย์ก็ให้รู้ว่าเฉยเฉยรู้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วกันรู้ว่ามันเกิดดับเดี๋ยวมันก็ไปมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปค่ะอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันจะมาร่างปล่อยมันมาเดี๋ยวมันจะไปก็ปล่อยมันไปแค่นี้ให้เรารู้เฉยเยได้โอให้ให้รู้เหมือนตอนที่เรานั่งให้เรารู้ค่ะรู้เฉยเฉยอย่าไปอย่ไปยืดอย่าไปติดอย่าไปยินดียินร่างกับมันค่ะแล้วพระอาจารย์อืม เกดก็นั่งต่อแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยเลยใช่ไหมคะก็พยายามทําไปเรื่อยเรื่อยแล้ต่อไปก็เราใช้ปัญญามาพิจารณาทุก อ, อย่างว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราก็กลุมบังคับไม่ได้ต้องปล่อยวางค่ะเช่นร่างกายของเราไม่เที่ยงเราควบคุมบังคับร่างกายมันมันไม่ได้ห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ ทั้งวันทังวันต้องแก่จิตตายก็กว่ามันแก่จิตตายไปเท่านั้นเองเราปัญญาพิจารณาทางปัญญาบ้า ง, ต, งตอนที่ออกจากสมาธินั้นะตอนที่อยู่ในสมาธิไม่ต้องพิจารณาให้นั่งเฉยๆให้นิ่งให้เงียบๆให้สบงบให้อยูให้สบายค่ะอ๋อตอนออกมาถึงพิจารณาใช่ไหมได้ค่ะจ้าออกมาแล้วพิจารณาร่างกายเราร่างกายของคนที่การตัวเรา ร่างกายของคนที่เรารักเราชอบไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่เจ็บตายลงไปด้วยกันทุ้งคนค่ะเพื่อเราจะได้ปล่อยวางเขาจะได้ไม่ทุกข์ไปกับเขาเวลาเขาเป ไ, ไปไหนไปค่ะก็เล็งเรียกไม่ได้เ ป, เป็นธรรมชาติของร่างกายร่างกายของเราก็เหมือนกันต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันทุกคนในห้องนี้ก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันหมด เราจะได้ไม่ทุกปแล้วก็เป็นอะไรไปเข้าใจนะเข้าใจค่ะพระอาจารย์มีอะไรอยากจะถามอีกไหมหมดคาถามแล้วแหละพระอาจารย์มีอะไรที่จะแนะนํำไหมคะไม่เจ้าค่ะก็นี่นะทำสองอย่างเนี้ปยปยญยามันฝึกสตินั่งสมาธิแล้วก็ออกจากสมาธิมาก็ให้คิดทันปัญญาบ้าง ค่ะโอเคนะเอาท่านี้ก่อนนะพระอาจารย์แล้วอะไรอ่ะที่มันอยู่บนหัวเนี่ยตอนนี้มันยังคือคือคือคืออยู่เนี่ยพระอาจารย์ก็นั่นแหะของทิพย์ทั้งนั้นนะก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันไม่ต้องไปยุ่งกับมันเราห้ามมันไม่ได้ไล่มันไปไม่ได้มันมันจะอยู่ก็ปล่ายมันอยู่ไปนั่นเองเราอย่าไปเดือดร้อนกับการปรากฏการของมันเมื่อก่อนก็ไม่มีไปเนี่ย เดี๋ยวตามมันก็เดี๋ยวตามไปมันก็หายของมันไปเองถึงเวลามันจะหายมันก็หายไปเไม่หายก็อยู่กับมันไปเจ้าค่ะอาจารย์ไม่ต้องไปสนใจว่าเป็นอะไรหรือว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันอ๋อเวลาเจออะไรก็ไม่ต้องสนใจใช่ไหมเจ้าพระไม่ต้องสนใจหรือว่ามันเกิดมันดับไม่ช้าก็เเลยมันก็ต้องดับมันมาเดี๋ยวมันก็ต้องไปแล้วไปเราไปควบคุมบางคับมันไม่ได้ก็ให้มันอยู่ไปตามตามเรื่องของมันไป เจ้าค่ะอย่าไปเดือวรอนจับอะไรอย่าไปเดือน้อนอะไรไม่ต้องไปนสนใจเจ้าค่ะมันเป็นสภาวะธรรมอย่างเป็นของทิพยพูดงานๆของทิพเจ้าค่ะนะโอเคนะสาธุจา้าโอเคทุกคนก็ได้มีโอกาสได้พูดได้ถามกันหมดแล้วสำหรับครนนี้ก็น่านจะพอสมควรแก่เวลา